วันนี้พวกเราก็ได้มาร่วมกันฟังเทศฟังธรรมกันอีกครั้งหนึ่งการฟังเทศฟังธรรมนี้เป็นคุณเป็นประโยชน์มากเพราะเราจะได้ศึกษาความรู้ที่จะทำให้เรานั้นหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้ เป็นความรู้ที่เอาตัวรอดได้ไม่เหมือนกับความรู้ต่างๆในโลกนี้ไม่ว่าจะระดับไหนก็ตามระดับมัธยมระดับปวชปวสระดับปริญญาตีโทเอกความรู้ต่างๆในโลกนี้เป็นความรู้ชนิดท่วมหัวเอาตัวไม่รอดคือเป็นความรู้ที่ไม่สามารถ ทำให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ได้มีความมีความรู้เพียงชนิดเดียวเท่านั้นในโลกนี้ที่จะทำให้พวกเรารอดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้ก็คือความรู้ในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี่เอง เพราะพะธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นความรู้ที่ได้ทำให้พระพุทธเจ้าได้ทรงหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดไม่มีใครสามารถรู้ความรู้อันนี้ได้ด้วยตนเองยกเว้นพระพุทธเจ้า แต่ะละพระองค์ทนั้นที่มีบารมีสิบประการด้วยกันที่จะทําให้ท่านได้เห็นความจริงอันนี้รู้ความจริงอันนี้ความรู้ที่พระพุทธเจ้าทรงรู้นี้คืออะไรความรู้ที่พระพเจ้าทรงตัดสรู้นี้คืออะไร ก็คือพระอริยสัจสี่นี่เองเป็นความรู้ที่ไม่มีใครรู้มาก่อนแม้แต่พระพุทธเจ้าเองก็ทรงไม่รู้มาก่อนแต่หลังจากที่ทรงได้เสด็จออกบวชแล้วมีความสนพระไทยที่จะศึกษาหาความรู้ที่จะ ดับความทุกข์ต่างๆภายในของพระไทยของพระองค์เองจึงทําให้พระองค์ต้องศึกษาด้วยพระองค์เองเนื่องจากว่าไม่มีใครรู้ครบาจารต่างๆที่พระองค์ได้ทรงไปศึกษาด้วยนั้นก็รู้เพียงระดับดับความทุกข์ได้ชัว่วคราวเท่านั้น คือความความรู้ในการทำใจให้สงบเป็นสมาธิเป็นฌานเป็นรูปฌปานเป็นรูปฌปานเท่านั้นเองขณะที่จิตอยู่ในความสงบของสมาธิของรูปฌปานของอรูปฌปานจิตก็จะไม่มีความทุกข์ใจเพราะตอนนั้นความคิดปุงแต่ง ได้หยุดทำงานชั่วคราวเมื่อไม่มีความคิดปรุงแต่งความอยากที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจก็ไม่สามารถทำงานได้พอไม่สามารถทางานได้ความทุกข์ที่เกิดจากความอยากก็จึงไม่มีแต่หลังจากที่ออกจากสมาธิมาแล้ว ออกจากรูปฌานออกจากอารูปฌานแล้วความคิดปรุงแต่งก็จะเกิดขึ้นเพราะว่าเมื่อได้สัมผัส ร, รับรู้กับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐาภะก็จะเกิดสัญญาเกิดสังขารความคิดปรุงแต่งตามมาเมื่อเกิดความคิดปรุงแต่งแล้วก็จะเกิดความอยากเกิดเวทนาตามมา เกิดสุขเวทนาเกิดทุกเวทนาเกิดไม่สุขไม่ทุกเวทนาตามมาพอเกิดเวทนาตามมาก็จะเกิดตัณหาความอยากตามมาถ้าได้สัมผัสกับสุขเวทนาก็อยากจะได้สุขเวทนานั้นมาเป็นสมบัติของตนถ้าสัมผัสกับทุกขเวทนาก็อยากจะกำจัดทุกขเวทนาอนั้น เช่นออกมาได้ยินเสียงชื่นชมยินดียกย่องสรรเสริญก็เกิดความอยากให้ความยกย่องสรรเสริญเยือนยอนั้นมีอยู่ไปนานๆเวลาเกิดความเวลาได้ยินได้ฟังคำคลรหานินทาก็เกิดความอยากให้มันหายไปให้มันหมดไป พอเกิดความอยากก็จะเกิดความไม่สบายใจขึ้นมานี่แหละคือปัญหาหลังจากที่ออกจากสมาธิมาแล้วเกิดสัญญาสังขารเกิดเวทนาแล้วก็เกิดตัณหาตามมาแล้วก็เกิดความทุกข์ตามมา ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรไม่มีใครรู้พระพุทธเจ้าจึงต้องทรงทดศึกษาหาความจริงหาว่าจะดับความอยากได้อย่างไรจะดับความทุกข์ที่เกิดจากความอยากได้อย่างไรโดยที่ไม่ต้องเข้าไปในสมาธิการเข้าสมาธิเพื่อดับความอยากดับความทุกข์นี้ ทรงทําได้แล้วแต่เป็นผลที่ได้ชั่วคราวเท่านั้นเองเพอออกจากสมาธิมาแล้วความอยากก็เกิดขึ้นใหม่เวทนาก็เกิดขึ้นใหม่ความทุกข์ก็เกิดขึ้นใหม่อีกหลังจากที่ได้ทรงทดลองปฏิบัติก็ทรงลอง อดพรกกายอาหารถึงสี่สิบเก้าวันทรงคิดว่าความอยากในอาหารนี้ เ, เป็นต้นเหตเุถ้าไม่รับประทานอาหารไม่ทำตามความอยากความอยากจะหายไปหรือไม่แต่หลังจากที่ทรงอดพระกายอาหารถึงสี่สิบเก้าวันแล้ว คาอยากก็ยังมีอยู่จึงทรงรู้ว่าการอดพระกายอาหารนี้ไม่สามารถที่จะมาหยุดความอยากดับความทุกข์ได้การทรมานร่างกายด้วยวิธีการต่างๆจึงไม่ใช่เป็นทางที่จะดับความทุกข์ภายในใจส่วนการดับความทุกข์ ดับความอยากภายในใจด้วยการทาตามความอยากก็ไม่ได้เป็นการดับความอยากดับความทุกข์เช่นกันเส้นอยากจะดูอยากจะฟังอยากจะดื่มอยากจะรับประทานก็ดื่มก็รับประทานดูไปฟังไปพอดูแล้วฟังแล้วรับประทานแล้วดื่มแล้วก็เกิดความอยากใหม่ขึ้นมาอีก จึงทรงเห็นว่าทางสองทางนี้ไม่ใช่เป็นทางที่จะนำไปสู่การหยุดความอยากดับความทุกข์ได้จึงทรงมุ่งไปในทางสายกลา ง, ก, งกลางทางที่ไม่ได้ทรมารร่างกายหรือทางที่ไม่ได้ทำตามความอยากเป็นทางที่สอนใจให้ฉลาด ให้ไม่ให้หลงกับสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้ไม่ให้หลงว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้ดีจะเป็นสิ่งที่ให้ความสุขกับเราเสมอไปเพราะอะไรเพราะทรงพิจารณาเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ดีเพียงชั่วคราวไม่ถาวร ดีแล้วเดี๋ยวก็เสื่อมไปจากดีก็กลายเป็นไม่ดีไปจากของดีก็กลายเป็นของเสียไปจากของใหม่ก็กลายเป็นของเก่าไปพอเปลี่ยนไปแล้วความสุขที่ได้รับจากสิ่งนั้นหรือบุคคล น, นั้นก็จะหายไปแล้วก็ไม่สามารถที่จะไปยับยังห้ามปราม ไม่ให้สิ่งต่างๆบุคคลต่างๆเปลี่ยนไปได้เวลาเขาเปลี่ยนไปเวลานั้นก็ทำให้เราทุกข์ใจเช่นเวลาเราอยากเวลาเขาดีกับเราเราก็มีความสุขใจเวลาเขาไม่ดีกับเราเราก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเพราะเราอยากให้เขาดีแต่เขาไม่ดีเราไม่ได้ดังใจอยาก เราก็เสียใจทุกใจหรือเวลาที่เขาจากเราไปเราก็เสียใจแต่เราก็ห้ามเขาไม่ได้เวลาเขาจะจากไปทรงพิจารณาเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นอย่างนี้เหมือนกันหมดคือเป็นของไม่เที่ยงนั่นเองมีการเปลี่ยนแปลงมีการเจริญมีการเสื่อม มีการเกิดมีการดับไปเป็นธรรมดาถ้าไปอยากให้เขาไม่เปลี่ยนแปลงไม่เสื่อมไม่ดับไปก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเพราะว่าเราไม่สามารถไปยับยัง้งห้ามปราบไม่ให้เขาเสื่อมไม่ให้เขาเปลี่ยนแปลงไม่ให้เขาดับไปได้นั่นเองนี่คืออริยสัจสี่ ที่พระพุทธเจ้าทรงตัดสรู้ขึ้นมาทรงพบขึ้นมาด้วยพระองค์เองไม่มีใครรู้มาก่อนกุบาจารย์ที่พระองค์ทรงไปศึกษาก็รู้เพียงแต่วิธีเข้าฌานสมาบัติเข้า ร, ปปร า, ข า, ารูปฌานเข้าอรูปฌานเข้าสมาธิเวลาเข้าไปแล้วความทุกข์ก็หายไปชั่วคราวเพราะความอยากไม่ได้ทํางาน พอความคิดปรุงแต่งหยุดทํางานแต่พอออกมาแล้วก็เริ่มมีความคิดปรุงแต่งมีเวทนามีความรู้สึกมีความอยากกับความรู้สึกเหล่านั้นแล้วก็มีความทุกข์ใจตามมาพระพุทธเจ้าจึงพิจารณาว่าสิ่งต่างๆนั้นเช่นความสุขความทุกข์ นี้เราไปบังคับไปสั่งให้เขาได้ให้เป็นตามที่เราต้องการได้หรือไม่สั่งให้เขาสุขตลอดเวลาได้หรือไม่สั่งให้เรามีแต่สุขเขาเวทนาเพียงอย่างเดียวได้หรือไม่สั่งไม่ให้มีทุกขเวทนาได้หรือไม่เราสั่งไม่ได้เช่นร่างกายนี้บางเวลาก็สุขบางเวลาก็ทุกข์บางเวลาก็ไม่สุขไม่ทุกข์ เราไปห้ามเขาไม่ได้สิื่งที่เราต้องห้ามก็คือใจของเราห้ามความอยากของเราพอเราห้ามความอยากคือยอมรับความจริงของเขาเขาจะสุข ก, ก็ปล่อยเขาสุขไปเขาจะทุกข์ก็ปล่อยเขาทุกข์ไปอย่าไปอยากให้เขาหายไปหรืออย่าไปอยากให้เขาอยู่นา น, น, าน เขาจะอยู่นานหรือไม่นานเขาจะหายไปไม่หายต้องปล่อยให้เขาเป็นไปาตามธรรมชาติของเขาเพราะเขาเป็นอนัตตาเขาไม่ได้อยู่ภายใต้คาสั่งของเหล่านั้นเองเนี่ยคือพระอริยสัจสี่ที่พระพุทธเจ้าทรงสัต์ทรงตัดสรุปทรงค้นพบความจริงว่าต้นเหตุของความไม่สบายใจ ความทุกข์ใจก็อยู่ที่ความอยากอยากให้สิ่งที่ไม่เที่ยงเที่ยงอยากให้สิ่งที่ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมบังคับให้อยู่ภายใต้การควบคุมบังคับพอไม่ได้ก็ดังใจอยากก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาพอเห็นความจริงว่าห้ามไม่ได้ต้องเป็นอย่างนี้ก็เลยไม่ฝืนความจริงหยุดความอยาก ปล่อยให้เป็นไปตามความจริงจะเจริญก็ปล่อยให้เจริญจะเสื่อมก็ปล่อยให้เสื่อมเหมือนกับเราปล่อยพระอาทิตย์ดวงอาทิตย์เราไม่ทุกข์กับดวงอาทิตย์เพราะอะไรเพราะเราไม่ไปยุ่งกับดวงอาทิตย์นั่นเองเราปล่อยให้ดวงอาทิตย์ขึ้นปล่อยให้ดวงอาทิตย์ตกเพราะเรารู้ว่าเราไปสั่งดวงอาทิตย์ไม่ได้สั่งให้ขึ้นสั่งให้ตก หรือสั่งไม่ให้ขึ้นสั่งไม่ให้ตกไม่ได้นั่นเองพอเราไม่ไปยุ่งกับดวงอาทิตเราก็ไม่ได้ทุกกับดวงอาทิตย์แต่เรามาทุกกับร่างกายของเราเพราะอะไรเพราะเรายังอยากให้เขาไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนั่นเองเวลาเขาแก่เขาเจ็บเขาตายเราก็ทุกกันไม่สบายใจกันเพราะความอยาก ไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายนั่นเองเราไม่ปล่อยร่างกายเราเหมือนเราปล่อยดวงอาทิตย์เราไม่ปล่อยร่างกายเราเหมือนเราปล่อยฝนฟ้าอากาศฝนฟ้าอากาศจะตกไม่ตกเราไม่ไปสั่งเขาเราไม่ไปอยากให้เขาตกหรือไม่ตกเขาตกก็ตกเขาไม่ตกก็ไ <alongside> ม่ตกเราก็สบายใจไม่ทุกข์กับฝนฟ้าอากาศ แต่เรามาทุกกับเรื่องของร่างกายของเรามาทุกกับเรื่องของลาบยศสรรเส ร, ริญกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะชนิดต่างๆซึ่งก็เป็นเหมือนฝนฟ้าอากาศเป็นเหมือนดวงอาทิตย์เหมือนกันคือเป็นธรรมชาติเป็นอนัตตาลาบยศสรรเส ร, ริญรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะเราอยากจะให้ มีแต่เจริญอย่างเดียวเจริญในลาบเจริญในยศเจริญในสรรเสริญเจริญในรูปเสียงกลิ่นรสปุถัพระแต่ธรรมชาติของเขาก็เป็นเหมือนดวงอาทิตย์เหมือนฝนฟ้าอากาศนี้เองมีเจริญมีเสื่อมมีขึ้นมีลงพอเวลาที่ลงเราก็เสียอกเสียใจกัน เวลาเงินทองหมดไปก็เสียอกเสียใจเวลายศถาบรรดาศักดิ์หมดไปก็เสียอกเสียใจเวลาคําสรรเสริญเยนยอ ย, ยกย่องหมดไปก็เกิดความเสียใจเวลารูปเสียงกลิ่นรสผภัณฑที่เราเสพอยู่เป็นประจำหมดไปก็เกิดความไม่สบายใจเช่นเวลากาแฟหมด เวลาเครื่องดื่มที่ชอบดื่มหมดเวลาขนมนมเนยที่ชอบรับประทานหมดเวลาทีวีเสียเวลาไฟดับเวลาน้ำไม่ไหลเวลานั้นเป็นอย่างไรเป็นเวลาของความสุขหรือเป็นเวลาของความทุกข์ถ้าเราไม่ได้ไปมีความอยากให้เขาไม่เสื่อมเช่นมาอยู่บนเขานี้ ไฟฟ้าไม่มีน้ําประปาไม่มีโทรทัศน์ไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสผดสะพ้าที่เราเคยเสพเป็นประจำไม่มีทำไมคนที่เขาไม่มีสิ่งเหล่านี้เขาอยู่กันได้ก็เพราะว่าเขาไม่ได้ไปยึดติดกับสิ่งต่างๆเหมือนเองไม่มีความอยากกับสิ่งต่างๆปล่อยให้เป็นไปตามมีตามเกิด มีก็ได้ไม่มีก็ได้เช่นวันนี้ญาติโยมนำเอาเครื่องดื่มอะไรมาถวายพระพระท่านก็ยินดีกับสิ่งที่ได้รับน้าไม่ได้เอามาถวายก็ไม่ต้องยินก็ไม่เสียหายอะไรไม่เดือดร้อนอะไรยินดีกับน้ำเปล่าที่มีดื่มอยู่ตลอดเวลาซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นจะต้องมีเพราะถ้าไม่มีแล้วร่างกายก็จะไม่สามารถอยู่ได้ แต่เครื่องดื่มที่มีรสมีสีมีกลิ่นต่างๆนี้ไม่ได้เป็นสิ่งที่จําเป็นต่อการดำรงชีวิตของร่างกายน้ําต่างๆน้ํำเปล่ า, ลานี้นี่คือเรื่องของพระพุทธเจ้าเรื่องของพระธรรมคําสอนที่จะเป็นที่พึ่งของเราถ้าเราสามารถน้อมนําเอามาปฏิบัติกับเราให้ได้ เช่นเราต้องปฏิบัติอะไรกับพระอริยสัจสี่พระอริยสัจสี่ข้อที่หนึ่งก็คือทุกข์คือความไม่สบายใจสงสอนให้เราดูใจเราอยู่เรื่อยๆให้คอยสังเกตดูว่าตอนนี้เกิดความทุกข์ใจหรือไม่เกิดความทุกข์ใจถ้าเกิดความทุกข์ใจก็ให้หาต้นเหตุของความทุกข์ใจให้เจอ ว่าตอนนี้ไม่สบายใจเพราะอะไรเพราะอยากได้อะไรเพราะอยากมีอะไรเพราะอยากเป็นอะไรเพราะอยากดูอะไรอยากฟังอะไรถามตัวเองดูมันจะต้นเหตุของความไม่สบายใจของเราก็คือความอยากในเรื่องต่างๆนี้เองพอเราเจอแล้วว่าอ๋อเราอยากดื่มกาแฟแต่ไม่ได้ดื่มไม่มีกาแฟดื่ม จะทำอย่างไรก็ต้องใช้ปัญญาสอนใจว่ากาแฟมันก็มีมามีไปมีมีเกิดมีดับเวลามันดับมันก็ห้ามมันไม่ได้เวลามันหมดไปจะไปห้ามมันไม่ให้หมดก็ไม่ได้จะให้มันกลับมาหาเราก็ไม่ได้มันไปแล้วเช่นถูกขโมยไป ล้าเราจะทำยังไงเราก็ต้องยอมรับความจริงว่ามันเป็นเรื่องธรรมดามีเกิดก็ต้องมีดับถ้าเรายอมรับว่ามันไม่มีก็ไม่มีเราอย่าไปอยากให้มันมีเราก็จะไม่ทุกข์เราก็อยู่กับการไม่มีกาแฟไปวันนั้นก็ไม่ต้องดื่มกาแฟไปวันไหนไม่มีกาแฟดื่มก็ไม่ต้องดื่ม ถ้าไม่มีความอยากจะดื่มมันก็จะไม่ทุกนี่คือการละความอยากกิจในข้อที่สองก็คือเมื่อรู้แล้วว่าความอยากคืออะไรก็ต้องละให้ได้แล้วการที่จะละความอยากนี่ต้องละด้วยอะไรก็ต้องละด้วยปัญญานี้งละด้วยมรรคให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงไม่ถ้าวร เป็นของชั่วข่าวถ้าเราเตรียมตัวเตรียมใจไว้ล่วงหน้าก่อนทุกครั้งที่เราดื่มกาแฟก็บอกว่านี่อาจจะเป็นถ้วยสุดท้ายก็ได้พวกนี้อาจจะไม่ได้ดื่มอีกแล้วก็ได้ถ้าคิดอย่างนี้เตรียมตัวเตรียมใจไว้ก่อนเวลาไม่ได้ดื่มก็จะได้หยุดความอยากได้ละความอยากได้แต่ถ้าไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจไว้ก่อนพอไม่มีดื่มจะทำายังไร ก็วิ่งหากันว่อนไปหมดขับรถไปตามร้านต่างๆหากาแฟมาดื่มให้ได้นี่ไม่ใช่เป็นวิธีดับความทุกข์ใจด้วยการทำตามความอยากต้องหยุดด้วยการใช้ปัญญาสอนใจว่าเมื่อมันไม่มีก็อยู่กับมันไม่มีไปไม่ตายไม่ทุกข์ด้วยดีกว่าอยู่กับความอยากพาะอยู่กับความอยากก็ต้องทุกข์อยู่เรื่อย ต่อให้เดิมไปกี่ร้อยแก้วก็ยังจะอยู่ในสภาพเหมือนเดิมอยู่ก็เคยยังต้องหาดื่มอยู่เรื่อยๆเวลาไม่ได้ดื่มก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมานี่เรียกว่ามัก๊กมักก็คือปัญญามักนี่ต้องเจริญให้มากก็คือต้องสอนใจอยู่เรื่อยๆว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงทุกสิ่งทุกอย่างเป็นทุกข์ถ้าเราไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ ทุกสิ่งทุกอย่างเราไม่สามารถไปสั่งให้เขาเป็นไปตามความอยากของเราได้ถ้าเราคอยสอนใจอย่างนี้ไปเรื่อยๆต่อไปใจของเราก็จะไม่อยากได้อะไรไม่อยากมีอะไรเพราะรู้ว่ามีแล้วก็ต้องเกิดความทุกข์ขึ้นมาถ้าเรารู้ว่าความอยากนี้เป็นเหมือนกับค้อนที่เราเอามาทุบศีรษะเราเราจะเอาค้อนนี้ทุบศีรษะเราอยู่อยู่เรืยหรือไม่ เวลาที่เราปวดศีรษะเราไม่รู้ว่าเราปวดศีรษะเพราะอะไรเราก็จะปวดไปเรื่อยๆเพราะเราจะเอาค้อนมาทุบศีรษะเราอยู่เรื่อยๆเวลาเราไม่สบายใจถ้าเราไม่รู้ว่าเกิดจากความอยากของเราเราก็จะไม่สบายใจไปเรื่อยๆเพราะเราจะไม่หยุดความอยากนั่นเองเหมือนกับถ้าเราไม่รู้ว่าค้อนที่เราทุบศีรษะเราเป็นต้นเหตุที่ทำให้เราปวดศีรษะ เราก็จะไม่หยุดทุบสีสระเราด้วยคอนเราก็จะทุบมันไปเรื่อยๆมันก็จะทุบมันก็จะปวดสีสระไปเรื่อยๆทั้งใดความทุกข์ใจของเราไม่สบายใจของเราก็เกิดจากความอยากของเรานี่เองแต่เราไม่รู้กันว่ามันเป็นต้นเหตุที่ทําให้เราไม่สบายใจกันแล้วเราก็ไม่รู้จักวิธีหยุดมันถ้าเรารู้ว่ามันเป็นต้นเหตุ เราก็ไม่รู้ว่าจะหยุดมันได้อย่างไรแต่นี่เรามีคนฉลาดเช่นพระพุทธเจ้าได้สงคนพบวิธีที่จะหยุดความอยากละความอยากด้วยการเห็นความจริงเห็นความจริงว่าสิ่งต่างๆที่อยากได้นั้นไม่ได้ให้ความุขความสุขที่แท้จริงให้ความสุขที่จะเป็นกับดักให้เราไปเจอกับความทุกข์ เพราะว่าความสุขที่เราได้นั้นจะหมดไปกาแฟที่ดื่มนั้นจะต้องหมดไปพอไม่มีกาแฟดื่มก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาแต่ถ้าไม่มีความอยากดื่มกาแฟก็จะไม่ทุกข์ใจคนที่ไม่ดื่มกาแฟเขาไม่เดือดร้อนมีกาแฟหรือไม่มีกาแฟเขาไม่เดือดร้อนเพราะเขาไม่มีความอยากดื่มกาแฟนั้นเองนี่เราต้องสอนใจให้เห็นว่าทุกอย่างไม่เที่ยง ทุกอย่างเป็นทุกข์ถ้าไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เพราะว่าเราไม่สามารถไปสั่งให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้นั่นเองนี่คือมรรคที่จะต้องเจริญให้มากคือต้องคอยเตือนใจสอนใจให้มากๆาเพื่อจะได้หยุดความอยากต่างๆการไม่มีความอยากนี้ไม่ได้ทำให้เราตายหรอกแต่ทาให้เราไม่ทุกข์ทให้เรามีแต่ความสุข คนที่มาบวชคนที่เขาตัดความอยากต่างๆเช่นตัดความอยากในการเขาไม่ต้องคุกกับสามีไม่ต้องทุกข์กับภรรยาเขาไม่นอนกับสามีไม่นอนกับภรรยาเขาก็อยู่ได้เขาก็มีความสุขได้สุขยิ่งกับคนที่ต้องนอนกับสามีต้องนอนกับภรรยาเสียอีกเพราะเมื่อมีสามีมีภรรยาก็ต้องมาคอยดูแลกัน เจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องมาเลี้ยงดูกันต้องหาเงินหาทองหาอาหารหาปัจจัยสี่มาเลี้ยงดูกันแต่เวลาไม่ได้อยู่ด้วยกันก็เกิดความเศร้าซ้อยงอยเหงาขึ้นมาเกิดความว้าเหวขึ้นมาเพราะว่าเราบางทีก็ต้องแยกกันอยู่บ้างบางทีต้องไปทํางานกันคนละที่ อย่างนี้ก็ไม่ได้อยู่ใกล้กันก็จะเกิดความไม่สบายใจขึ้นมาอยู่ดีแต่คนที่ไม่มีคู่นี้เขาไม่มีความทุกข์แบบนี้เขาอยู่อย่างสบายอาจจะอยู่อย่างสบายแบบคนเดียวได้ก็ต้องไม่มีความอยากเท่านั้นถ้ายังมีความอยากนอนกับคนนั้นคนนี้เวลาต้องนอนคนเดียวนี้มันจะทุกข์มากมันจะเหงามันจะว้าวเวต้องหา หมอนข้างมานอนเป็นเพื่อนแทน่งแต่ถ้าไม่มีความอยากแล้วก็สบายนอนคนเดียวได้ไม่ต้องมีหมอนข้างไม่ต้องมีอะไรนี่แหละคือเรื่องของความอยากที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์และการที่จะทำให้ความทุกข์หายไปก็ต้องเกิดจากการสร้างปัญญาขึ้นมาสร้างมรรคขึ้นมา มักก็คือปัญญาสัมมาทิ t h i นี่คือต้องเห็นว่าทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกถ้าอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอนัตตาเพราะเราไม่สามารถไปสั่งให้เขาเป็นไปตามความอยากของเราได้ถ้าเห็นอย่างนี้ก็จะหายอยากจะไม่อยากนี่คือภารกิจที่พระพเจ้าได้ทรงบ่งเพน็นจนสำเร็จ จึงทำให้พระองค์ได้รอดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายรอดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดด้วยความรู้อันนี้เองที่เรียกว่าความรู้ที่เอาตัวรอดได้อย่างแท้จริงก็คือพระ อ, อริยสัจสีนี่เองคือทุกข์สมุ ท, ทยัยนิโรธมรรคทุกข์ก็คือความไม่สบายใจสมุทัยก็คือความอยากต่าง เช่นกามตันหาความอยากในกามภาวะตันหาความอยากมีอยากเป็นวิภวะตันหาความอยากไม่มีอยากไม่เป็นแล้วก็นิโรธก็คือการดับของความทุกข์ดับด้วยอะไรดับด้วยมรคมรค ก, ก็คืออะไรก็คือสัมมาทิฏฐิคือปัญญานี้เองคือเห็นว่าทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา ไม่อยู่ภายใต้คําสั่งของเราถ้าเห็นอย่างนี้ก็จะไม่อยากได้อะไรไม่อยากมีอะไรเพราะไม่อยากจะทุกข์นั่นเองกิจในอริยสัจสี่ก็คือเราต้องศึกษาดูเฝ้าดูใจเราอยู่เรื่อยๆว่าใจเราทุกข์หรือเปล่าถ้าทุกข์ก็ต้องหาความอยากหาหาพิจารณาดูว่าความอยากเรากําลังอยากอะไร ถ้ารู้ว่ากำลังอยากในสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็ต้องพิจใช้มรคคือปัญญามาสอนใจสอนให้เห็นว่าอย่าไปอยากอยากแล้วจะทุกข์เพราะจะไม่ได้ดังใจอยากนั่นเองพอ เ, เห็นด้วยปัญญาก็จะละความอยากได้นิโรธก็จะดับไปก็จะได้ทำกิจในอริยสัจสี่ได้ครบทั้งสี่ประการคือที่ทรงสอนว่าทุกข์ต้องกำหนดรู้ คือต้องเฝ้าดูว่ามีทุกข์หรือไม่มีทุกข์นั่นเองสมุทัยต้องละต้องละความอยากนี่โรดคือความดับของความทุกข์ต้องทำให้แจ้งต้องทำให้ปรากฏขึ้นมาแล้วก็จะทำให้ปรากฏขึ้นมาได้ด้วยอะไรก็ได้ด้วยการเจริญมรรคนี้เองเจริญปัญญาสอนใจอยู่เรื่อยๆว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์ ไม่สามารถไม่อยู่ภายใต้อำนาจคำสั่งของเรานี่คือสิ่งที่เราต้องเจริญให้มากๆเพระเจริญให้มากๆแล้วเราก็จะละความอยากได้ทำนิโรธให้แจ้งได้พระพุทธเจ้าถึงทรงตัดว่าทุกที่ต้องกำหนดรู้พระองค์ได้ทรงกำหนดรู้แล้วโดยไม่มีใครสอนมาก่อนส ม, มุทัยที่ตั้งละทรงได้ละแล้ว โดยที่ไม่มีใครทรงสอนพระ อ, องค์มาก่อนนิโรดคือความดับของความทุกข์ต้องทำให้แจ้งต้องทำให้ปรากฏขึ้นมาก็ได้ทรงทําแล้วโดยที่ไม่มีใครทรงสอนพระ อ, องค์มาก่อนมักที่เป็นเครื่องมือในการละความอยากก็ทรงจเจริญขึ้นมาอย่างพร้อมบริบูรณ์แล้วจึงสามารถละความอยากต่างๆไปได้หมด ได้ส่งเจริญแล้วโดยที่ไม่มีใครทรงสั่งสอนพระองค์มาก่อนนี่เป็นความรู้ความสามารถของพระพุทธเจ้าไม่มีใครรู้ไม่มีใครสามารถจะสอนพระพุทธเจ้าได้พอหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ปฏิบัติกิจในอริยาาสัจสี่ได้ครบสมบูรณ์แล้วพระทัยของพระองค์ก็ทรงหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงไป ไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่ในพระไทยอีกต่อไปจึงได้ทรงนําเอาความรู้นี้มาเผยแผ่ให้แก่สัตว์โลกต่อไปผู้ใดที่ได้ยินได้ฟังแล้วมีปัญญามีความสามารถที่จะนําเอาไปปฏิบัติตามได้ก็จะสามารถที่จะปฏิบัติภารกิจในพระอริยสัจสี่นี้ได้สมบูรณ์ ก็จะได้หลุดพ้นจากความทุกข์อย่างสมบูรณ์เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้ากลายเป็นพระอาลหลันต่อสาวกขึ้นมาแล้วก็มารับช่วยมาช่วยเหลือพระพุทธเจ้าในการเผยแผ่ความรู้อันนี้ให้แก่ผู้อื่นต่อไปผู้อื่นที่ได้รับความรู้อันนี้ก็นำเอาไปเผยแผดการเป็นทอดๆมาจนถึงปัจจุบันนี้ มีการถ่ายทอดความรู้อันนี้มาอย่างต่อเนื่องเราต้องถ่ายทอดด้วยการปฏิบัติด้วยการศึกษาก่อนด้วยการได้อิจดได้ฟังความรู้อันนี้เมื่อรู้แล้วก็ต้องปฏิบัติปฏิบัติภารกิจของความรู้อันนี้อันนี้ให้สมบูรณ์ทั้งสี่ประการหรือต้องรู้ทุกต้องละสมุทยัยต้องทำนิโรธให้แจ้งต้องเจริญมรรคให้สมบูรณ์ ผู้ใดทำกิจในอริยสัจสี่นี้ได้ก็จะเป็นผู้ที่ดับความทุกข์ทั้งหลายได้ก็จะเป็นผู้ที่จะสืบทอดพระพุทธศาสนาต่อไปได้จะเป็นผู้ที่จะนำความรู้ที่จะทำให้ผู้ที่ไม่รู้นี้สามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้ต่อไปศาสนาผู้ของเราจึงยังมีปรากฏอยู่ในทุกวันนี้ก็เพราะว่ายังมีผู้ที่ศึกษา แรกปฏิบัติในพระอริยสัจสี่นี้อยู่นั่นเองนี่แหละคือหัวใจของพระพุทธศาสนาทุกสิ่งทุกอย่างที่เรารู้กันเกี่ยวกับพระพุทธศาสนานี้ไม่สําคัญเลยไม่จําเป็นต้องรู้ก็ได้ขอให้รู้เพียงแค่สี่อย่างนี้เท่านั้นก็พอไม่ต้องไปรู้ว่าพระพุทธเจ้าเกิดเวลาใดเดือมน้ําปัสสวะหรือไม่ มีภรรยาชื่อว่าอะไรมีพ่อชื่อว่าอะไรมีแม่ชื่อว่าอะไรอยู่เมืองไหนรู้ก็ได้ไม่รู้ก็ได้ความรู้เหล่านี้เป็นความรู้เสริมเท่านั้นเองไม่ได้เป็นความรู้หลักความรู้หลักนี้ต้องรู้ในอริยศาสตร์สี่ทุกวันนี้ชาวพุทธเราส่วนใหญ่จะไปหลงกับความรู้ที่ไม่สำคัญส่วนความรู้ที่สำคัญนี้กับไม่รู้กันกับไม่ปฏิบัติกัน กับไม่ศึกษากันจึงไม่ค่อยมีผู้ที่ได้ทาภารกิจที่สำคัญนี้ได้สำเร็จกันมากนั่นเองมีน้อยมากคนที่สามารถที่จะศึกษาความรู้นี้และปฏิบัติหน้าที่ของความรู้นี้ให้สมบูรณ์นี้มีน้อยมาก มีแต่รู้เรื่องที่ไม่ต้องรู้ไม่สําคัญต้องรู้รู้กันรู้แล้วก็ไม่สามารถที่จะดับความทุกข์ที่อยู่ภายในใจของตนได้เพราะไม่อยากจะละกิเลสตัณหาของตนนั่นเองยังอยากจะสงวน ร, รักษากิเลสตัณหาไว้อยู่ยังอยากจะเก็บความอยากดื่มกาแฟไว้อยากจะเก็บความ อยากร่วมดับนอนกับแฟนกับสามีกับภรรยาไว้ยังเสียดายอยู่ถ้ายัางเสียดายความอยากต่างๆก็เท่ากับการสงวนรักษาความทุกข์ต่างๆไว้ให้คงอยู่กับเราต่อไปเท่านั้นเองเพราะว่าเราไม่ศึกษาความรู้ที่เป็นแก่นของพระศาสนานั่นเองาำบุญทำทานก็เพื่อจะได้ร่ำรวย จะได้เอาเงินไปซื้อไปซื้อของตามความอยากไปกินตามความอยากไปเที่ยวตามความอยากอีกอันนี้เป็นการหลงทางทำบุญไม่ได้ทำบุญเพื่อให้ล่ำให้รวยทำบุญเพื่อให้จนเพราะจนแล้วจะได้ออกบวชได้ถ้ามีเงินมันออกบวชไม่ได้มันเสียดายเงินอยากจะใช้เงินอยากจะใช้เงินซื้อความสุขต่างๆถ้าหมดเนื้อประดาตัวนี่อยากจะบวชแล้ว เพราะไม่มีที่ไปนะเนี่ยครูบาจารย์ส่วนใหญ่พระอาหารหันต์ส่วนใหญ่จึงมาจากครอบครัวของคนยากจนเพราะไม่มีทางไหนจะไปแล้วก็บวช ด, ดีกว่าพ่อแม่เอาไปฝากอยู่วัดตั้งแต่เป็นเด็กบวชเป็นเนนเนี่ยบวชไปพอได้ศึกษาความรู้ที่ทําให้ดุดพ้นจากความทุกข์ได้กด็เลยสามารถดุดพ้นได้ปฏิบัติได้ คนที่ร่ำรวยนี่ยากต่อการที่จะมาบวชกันคนที่เป็นราชามาหากริย์นี่ยากต้องเป็นคนอย่างพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่ทรงบำเพ็ญบา ร, รมีมามากมายที่สามารถที่จะสละชีวิตอันสูงสุดของคารวานั่นมาอยู่ชีวิตที่ต่ำสุดของคารวะก็คือขอทาน นักบวชนี้ก็คือขอทานดีๆนี่เองเช้าก็ถือบาทเข้าไปในหมู่บ้านไปข อ, อเพียงแต่ว่าเราไม่ถือว่าเป็นการขอทานเท่านั้นเพราะท่านไม่ได้ไปขอไม่ได้ไปพูดบอกขอสิ่งนั้นขอสิ่งนี้แต่ท่านไปโปรดสัตว์คือไปโปิดโอกาสให้ผู้ที่อยากจะทําบุญทําทานได้มีโอกาสได้ทําบุญทําทานกับคนดีกับคนที่จะ เป็นที่พึ่งของเราต่อไปเป็นผู้ที่จะเอาความรู้ที่เราไม่รู้กันนี้มาสั่งสอนให้แก่พวกเราการบินบาบจะไม่ได้เป็นขอทานเพียงแต่ว่าสถานภาพก็ไม่ต่างจากขอทานเพราะว่าก็ต้องอาศัยการให้ของผู้อื่นเพื่อเพื่ออยู่ได้ก็เหมือนกับขอทานต่างกันตรงที่ว่าไม่ได้ขอเท่า น, นั้นเอง ถ้าไม่มีกินก็ต้องอดไปอดก็ยอมอดตายก็ยอมตายเพราะรู้ว่าไม่ชา้าก็เร็วชีวิตนี้ก็ต้องหมดไปไม่มีใครที่จะมายับยั้งความตายได้ผู้ที่ออกบวชจึงไม่ค่อยกลัวความอดอยากขาดแคลนไม่ค่อยกลัวความตายกันเท่าไหร่พะเห็นก่อนแล้วถึงออกบวชกันเห็นแล้วว่าเกิดมาแล้วเดี๋ยวก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไป แต่จะไม่ยอมแก่เจ็บตายแบบไม่ต่อสู้กันไม่หาทางออกกันพวกที่ออกบวชนี้เขาต้องการหาทางออกจากความแก่ความเจ็บความตายกันแล้วก็ได้พบความทางออกก็คือการหยุดความอยากนี้เองเพราะถ้าหยุดความอยากต่างๆได้ก็จะไม่ต้องไปเกิดใหม่นั่นเองเมื่อไม่เกิดใหม่ก็ไม่ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่อีกนั่นเอง นี่คือวิธีที่จะยุติความแก่ความเจ็บความตายได้อย่างถาวรก็ต้องหยุดการอยากหยุดการมาเกิดนี่เองการจะหยุดการมาเกิดได้ก็ต้องหยุดความอยากสามประการนี้คือหยุดกามักตันหาภาวะตันหาและวิภวะตันหานี่เองการจะหยุดตันหาทั้งสามนี่ได้ก็ต้องหยุดด้วยปัญญาด้วยมักด้วยศีลสมาธิปัญญา เพราะก่อนจะมีปัญญาได้ต้องมีสมาธิก่อนก่อนจะมีสมาธิได้ก็ต้องมีศีลก่อนก่อนจะมีศีลได้ก็ต้องทำทานจนหมดเนื้อหมดตัวก่อนพอหมดเนื้อหมดตัวก็จะออกบวดนรักษาศีลได้จเจริญสมาธิได้จเจริญปัญญาได้นั่นเองแต่ยังมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองอยู่ก็จะไม่มีเวลามารักษาศีลมาปฏิบัติธรรมเพราะจะ มีกิเลสมาคอยชวนให้ไปเอาเงินไปเที่ยวไปซื้อของต่างๆพอเงินหมดก็ต้องไปหาเงินมาเที่ยวต่อเพราะหยุดไม่ได้เพราะมันติดเป็นนิสัยแล้วก็เลยจะไม่มีวันที่จะได้บวชไม่ได้รักษาศีล ใ, ให้บ่อยสุดไม่ได้เจริญสมาธิได้อย่างเต็มที่ไม่ได้เจริญปัญญาอย่างเต็มที่ก็จะละกิเลสตัณหาความอยากต่างๆไม่ได้ พอตายไปก็ต้องกลับมาเกิดใหม่กลับมาแก่กลับมาเจ็บกลับมาตายใหม่เนี่ยแทนที่จะหลุดพ้นจากความแก่ความเจ็บความตายด้วยการาหาอาหารมากินไม่ให้ไม่ให้อดอยากขาดแคลนหายารักษาโรคมารักษามันก็ยับยั้งความแก่ความเจ็บความตายไม่ได้สู้อยู่แบบอดอยากขาดแคลนดีกว่า จะตายก็ปล่อยมันตายไปจะเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปแต่จะหยุดความอยากให้ได้เท่านั้นเองเพอหยุดความอยากได้แล้วทีนี้ก็ไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่ไม่ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่อีกต่อไปแล้วไม่ใช่จะกลับมาแก่เจ็บตายเพียงรอบเดียวเท่านั้นมันก็จะกลับมาอย่างนี้อีกนับไม่ถ้วนอย่างที่เราได้ทามาแล้วมาอย่างโชคชน การเกิดแก่เจ็บตายของเรานี่นับไม่ถ้วนกี่รอบแล้วและจะเป็นอย่างนี้ต่อไปอีกคิดดูก็ล้กันว่ามากขนาดไหนพระพุทธเจ้าทรงให้เปรียบเทียบดูว่าในแต่ละภพแต่ลชาตินี้เราทุกข์เราไม่สบายใจเราร้องไห้นียเราหลั่งน้ำตากันมากน้อยเพียงไรถ้าเราสะสมน้ำตาที่เราหลั่งในแต่ละภพแต่ละชาติมาเนี้ยที่เราเคยเกิดแก่เจ็บตายมานี้ ถ้ารวบรวมกันแล้วท่านบอกว่าจะมีมากกว่าน้ําในมหาสมุทรสิคิดดูก็แล้วกันว่าจะต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกกี่ครั้งด้วยกันเคยเกิดแก่เจ็บตายมาแล้วกี่ครั้งด้วยกันถึงจะได้น้ําตามากกว่าน้ําในมหาสมุทรนั่นแหละคือจํานวนภพชาติของพวกเราที่ผ่านมาและจะเป็นอย่างนี้ต่อไปอีกไม่มีวันสิ้นสุดจนกว่าเราจะได้พบกับพระพุทธเจ้าได้พบกับพระธรรมคําสอน ได้พบกับพระอริยสัจสี่แล้วก็สามารถปฏิบัติกิจในพระในพระอริยสัจสี่ได้อย่างสมบูรณ์ถ้าเราปฏิบัติได้แล้วเราก็จะละตัณหาทั้งสามได้ละความอยากต่างๆได้พอไม่มีความอยากต่างๆภายในใจแล้วก็จะไม่มีพบชาติตามมาอีกต่อไปเพราะความอยากนี้เป็นเหมือนเชื้อฝืนนั่นเอง ไฟมันจะลุกไปเรื่อยๆตราบใดที่เราเติมฟืนเข้าไปในกองไฟแต่ถ้าเราหยุดเติมฟืนเข้าไปในกองไฟแล้วพอไฟที่ไม้ฟืนที่มีอยู่ในกองไฟนั้นไหม้หมดไปแล้วไฟก็จะดับไปพบชาติก็เป็นอย่างนี้พบชาติจะหมดไปต่อเมื่อเราไม่ใส่ฟืนของพบชาติเข้าไป เพื่อนของพบชาติก็คือกามะตัญหาภาวะตัญหาและวิภวะตัญหานี่เองการที่เรามาเข้าหาพระพุทธศาสนานี้ก็เข้ามาเพื่อปฏิบัติละตัญหาทั้งสามนี้ไม่ว่าจะเป็นการทําทานก็ดีการรักษาศีลก็ดีการภาวนาก็ดีก็มีเป้าหมายอยู่ที่การละตัญหาความอยากทั้งสามนี่เอง ไม่ใช่เพิ่มตันหาให้มากขึ้นเช่นทำบุญแล้วก็เกิดความอยากให้ล่ำให้รวยอยากเป็นใหญ่เป็นโตขึ้นมาแล้วอยากจะรักษาความเป็นใหญ่เป็นโตเวลาไม่สบายทีนึงไปทำบุญก้าวัดกันอันนี้มันไม่ใช่มันไม่ได้เกี่ยวกันทำบุญก็เรื่องการทำบุญเพื่อลักความอยากไม่ใช่ไปเพิ่มความอยากเพื่อจะอยู่ไปนานๆเพื่อให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บอันนี้มัน หลงทางแล้วทำบุญเพื่อตัดความอยากเช่นวันนี้จะเอาเงินไปซื้อเหล้าสักขวดหนึ่งก็เอามาซื้อกับข้าวใส่บาทแทนอย่างนี้อย่างนี้ตัดความอยากดื่มโชลาไปอยากจะเอาเงินไปซื้อกระเป๋าใบใหม่สักใบหนึ่งก็เอามาซื้อของถวายพระ ก, ก็ได้หรืออยากจะซื้อกระเป๋าใบนั้นก็ซื้อได้แต่อย่ากเก็บเาไว้ซื้อมาแล้วก็เอาไปให้ไขก็ได้ เอาไปทําทานอันนี้ต่อไปจะไม่อยากซื้อกระเป๋าเพราะซื้อแล้วก็ไม่ได้จะซื้อไปทําไมทุกครั้งอยากจะซื้อกระเป๋าก็ซื้อแล้วก็ไปให้คนอื่นเสียทุกครั้งอยากจะดื่มเหล้าก็ซื้อเหล้ามาแล้วก็เอาไปให้คนอื่นเขาดืม่มอันนี้ต่างหากคือการทําทานทําทานเพื่อตัดตัณหาความอยากตัดสะพานของของตัณหาความอยากก็คือเงินนี่แหละเป็นเหมือนสะพาน ที่จะเชื่อมความอยากกับสิ่งที่อยากได้พอเราตัดเงินนี้ไปแล้วมันก็ความอยากมันก็จะหายไปเพราะอยากแล้วไม่ได้มันก็จะไม่อยากได้เหมือนเราไปขอเงินใครเนี่ยขอว่าเขาไม่ให้นี่เราจะกลับไปขอเขาอีกหรือเปล่าแต่ถ้าขอเขาให้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไปอีกติดใจนั่นแหละความอยากเป็นอย่างนั้นถ้าอยากจะให้ความอยากมันหายไปต้องไม่ทําตามความอยากต่า น, นั้นเอง และการที่จะตัดความอยากได้อย่างสบายก็คือต้องมีสมาธิมีปัญญาถ้ามีสมาธิมีปัญญ า, แ ล, า, ญญาแล้วจะตัดได้อย่างสบายอย่างง่ายดายจะไม่รู้สึกทุกข์ทรามานใจเลยเพราะจะเห็นความจริงเห็นโทษของความอยากเห็นว่าเป็นตัวที่กำลังสร้างความทุกข์ใจให้กับเรานั่นเองเหมือนกับเห็นค้อนที่ทุบศรีรษะเราอยู่นี่ว่าเป็นต้นเหตุของการทาให้เราปวดศรีรษะ เราก็หยุดคุบหยุดเอาหยุดเอาคอนหยุดทุบศีรษะเรามันก็หายปวดแล้วพอเราหยุดความอยากมันก็จะหายทุกเลยนี่แหละคือธรรมะที่เราเรียกว่าธรรมังสารนังกฉามิที่เราเข้าหากันอยู่นี่ทุกวันนี้เราเป็นเหมือนนกแก้วกันเราท่องธรรมังสารนังกฉามิแต่ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรกันรู้ก็รู้แบบมั่วๆัวกันไป เดาากันไปไม่รู้แบบจริงๆกันถ้ารู้จริงมันต้องรู้ว่าคืออริยาาสัจสี่นั่นเองผู้ใดเห็นอริยสัจสี่ผู้นั้นก็จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้เริ่มต้นตั้งแต่ขั้นโสดาบันไปจนถึงขั้นพาาาระอรหันต์อยู่ที่การเห็นมีดวงตาเห็นธรรมเห็นธรรมเห็นอะไรก็เห็นอริยสัจสี่ เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตานี่จะไปเห็นอะไรดังนั้นขอให้พวกเราอย่าหลงทางกันอย่าหลงประเด็นกันอย่าไปหาความรู้ต่างๆที่ไม่สำคัญเข้าหาความรู้ที่สำคัญนี้พยายามปฏิบัติกิจในภลในอริยสัจสีนี้ให้ได้เถิดแล้วเราจะหลุดพ้นจากความทุกข์ก็คือทุกต้องกำหนดรู้สมุทัยต้องละ นี่รอดต้องทำให้แจ้งมากต้องเจริญให้มากถ้าเราทำภารกิจทั้งสี่ประการนี้ได้สมบูรณ์เราก็จะได้ธรรมงสารนังกัชามิได้ธรรมะเป็นที่พึ่งของเราการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ ยะถาวาริวหาปุราปริกุเรนติสาคหลังเอวเมวะอิโตทินนางเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชาจตุสัเพุเรนตุสังกปาจันโทปนาระโสยะถามณีโชติ รโสยะถาสัพพิติโยวิวชัชานตุสัพโรโครวินัสตุมาเตภวัตวันตารายุสุขีทิฆายุโกภวะอภิวาทานศีลิสนิจังุทธาปจายโนจตารุธรรมาวะทานติอายุวันโอสุขังภาลาง ในเฟซม้งไม่มีปัญหาไหม่ไม่มีคำถามอหม่มีแต่เมื่อเช้าครับเมื่อเช้าไปกินข้าวที่ร้านแล้วเขาบอกว่ามีป้าคนหนึ่งเขาชอบทำบุญแล้วทำให้ตัวเองเดือร้อนพระอาจารย์แบบทจาจนไม่มีตังค์จะกินข้าวก็พอจะไม่มีข้าวกินก็ไปบวชได่ไปอยู่ตามสำนักแม่ชีไปอยู่ตามวัดก็ได้กินข้าววัดก็ได้ ก็ปฏิบัติไม่เป็นปฏิบัติแล้วมันต้องสงบถ้าคุณนวายก็แสดงว่าปฏิบัติไม่ถูก ปฏิบัติเพื่อปล่อยวางไม่ได้ไปปฏิบัติเพื่อจะไปเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆในโลกนี้เรายังไปอยากไปยุ่งกับสิ่งต่างๆอยู่มันก็เลยวุ่นวายโลกนี้มันวุ่นวายเนออย่าไปยุ่งกับมันยิ่งไปยุ่งกับมันเราก็ทําให้เราวุ่นวายไปด้วยเราต้องตัดมันอย่าไปยุ่งกับมันปล่อยมันไปมันไม่เที่ยงมันเป็นอย่างนี้แหละถ้าเราอยากจะให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เราก็วุ่นวายขึ้นมา เราไม่เห็นอริยาาสัจสี่เราไม่เห็นการปฏิบัติของเราเพื่อดับความวุ่นวายใจของเราความวุ่นวายใจของเราก็เกิดจากความอยากของเรานี่เองถ้าเราหยุดความอยากได้ความวุ่นวายใจก็จะหายไปที่เราหยุดความที่เรามีความวุ่นวายใจก็เพราะว่าเราไม่มีสติที่จะเห็นว่าเรากำลังอยาก ให้สิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นอย่างนั้น<ม>เป็นอย่างนี้นั่นเองเราต้องเจริญสติให้มากพุโทโธให้มากพุทโธให้มากแล้วต่อไปจะเห็นจะเห็นความอยากของเราพอเห็นความอยากของเราเห็นความวุ่นวายใจของเราว่าเกิดจากความอยากของเราเองเราก็หยุดความอยากเสียเท่านั้นเองแล้วลกูกโลกเขาจะวุ่นวายขนาดไหนก็จะไม่สามารถทําให้เราวุ่นวายได้ นะต้องพยายามเข้าใจหลักนี้หลักของอริยสัจ ส, สี่ความวุ่นวายใจก็คือความทุกข์นั่นเองความวุ่นวายใจเกิดจากความอยากการจะหยุดความอยากได้ก็ต้องมีสติมีปัญญามีสติรู้อยู่ว่าเรากําลังวุ่นวายใจและเหตุที่ทําให้เราวุ่นวายใจก็คือความอยากของเราเองดังนั้นถ้าเราไม่ อยากจะให้ความวุ่นวายใจหายไปเราก็หยุดความอยากของเราอยากไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เราก็จะไม่วุ่นวายใจตอนนี้เราวุ่นวายใจกันเกี่ยวกับเรื่องบ้านเมืองกันอยากให้บ้านเมืองสงบอยากให้บ้านเมือง อ, อยู่ด้วยกันอย่างสันติรักกันสามัคคีกันแต่ความจริงมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเราก็ไม่มีใครคนใดคนหนึ่งที่จะมาทาให้มัน สงบได้มันต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันเหมือนกับลูกระเบิดนะกลัวมันจะระเบิดก็ไปห้ามมันไม่ได้ต้องให้มันระเบิดพอมันระเบิดแล้วมันก็จบมันก็จะไม่ระเบิดอีกแล้วบ้านเมืองจะวุ่นวายขนาดไหนมันก็ต้องถึงจุดระเบิดของมันพอมันถึงจุดระเบิดแล้วเดี๋ยวมันก็หายวุ่นวายไปเพราะตายกันไปหมดแล้ว เราอย่าไปกังวลกับโลกนี้เลยมันเป็นอย่างนี้มาทุกยุคทุกสมัยแล้วมีสงครามโลกมีสงครามอยู่ทุกทุกยุคทุกสมัยเพราะมีความอยากในทุกยุค ท, ทุกสมัยนี่เอต้นเหตุของสงครามต้นเหตุของความวุ่นวายก็คือความอยากของแต่ละคนนี่เมื่อความอยากมาชนกันเข้าเราก็อยากได้สิ่ง น, นี้เขาก็อยากจะได้สิ่ง น, นี้มันก็ต้องตีกันฆ่ากันคนชนะก็เอาไป คนแพ้ก็ตายไปถ้าเรายอมแพ้แบบพระเราก็สบายถอยออกมาแพ้เป็นพระปล่อยให้เขาชนะเป็นมารไปเราอยากจะได้เงินทองก็ให้เขาไปเราต้องการความสงบไปอย่างเดียวเราก็หลบไปอยู่ในป่านในเขากันอยู่ห่างไกลจากแสงสีเสียงกันไม่ต้องไปแก่งแย่งชิงดีกับเขาเราก็อยู่ได้ มีความสงบแล้วใจมีความสุขจะตายไปสุขยิ่งกว่ามีเงินกองเทอกมีเงินกองกองเท่าภูเขามีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านไม่มีความสุขจะมีความเครียดแล้วต้องคอยดูแลรักษาดูแลรักษายิ่งถ้าบ้านเมืองไม่สงบวุ่นวายนี่ยิ่งหวั่นไหวใหญ่เดี๋ยวกันของเราหมดแน่ธนาคารมันเจ๊งปับ๊บเนี่เงินฝากไว้ธนาคารกลายเป็นศูนย์หมด นั้นอย่าไปหลงกับเรื่องต่างๆในโลกนี้อย่าไปหลงกับลาบยศสรรเสริญที่ไม่เที่ยงแน่ที่ไม่เทียทเท่ยงแท้แน่นอนมีเจริญมีเสื่อมตอนนี้เราอยู่ในยุคเสื่อมกันเราก็เลยวุ่นวายใจกันสังคมเรากำลังเสื่อมกันเสื่อมจากความสงบเสื่อมจากการอยู่อย่างสันติตอนนี้สังคมเราเป็นสังคมแตกแยก ส, ส, สังคมประชันหน้ากัน เราถอยออกมากดีกว่ามาอยู่ตามชนบทกันดีกว่าอปล่อยให้เขาแข่งแย่งกันไปชิงดีกันไปพระพุทธเจ้าได้ทรงทำนายไว้แล้วว่าต่อไปสังคมนี้จะเสื่อมลงไปเรื่อยๆความอยากจะมีรุนแรงเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆการต่อสู้กันจะรุนแรงกันขึ้นไปเรื่อยๆจนต่อไปจะเป็นยุคของมิคกาสันยีมิคกาสันยีก็คือว่าเห็นทุกคนเป็นผักเป็นปลา เป็นเนื้อเป็นของที่จะฆ่ากันไม่ได้เห็นว่าเป็นคนเป็นเป็นสิ่งที่มีคุณค่าอะไรฆ่าเพราะว่าเขาถ้าไม่ฆ่าเขาเขาก็จะฆ่าเราเนี่เป็นยุค ข, ของเดระชานคนที่มีศีลมีธรรมก็จะถอยออกไปออกไปอยู่ตามชนบทออกไปอยู่ตามป่าตามเขากันอยู่แบบอยู่กับธรรมชาติ ไม่ต้องไปแข่งแย่งชิงดีกับใครจนกว่าสังคมที่เป็นนิกสันยีนี้ฆ่ากันทำลายกันจนตายกันไปหมดต่คนดีก็จะออกมาสร้างสังคมใหม่ต่อไปนี่คือเรื่องของสังคมจะเป็นยุคที่มีทั้งเจริญและมีเสื่อมสลับกันไปช่วงนี้เราเข้าสู่ยุคของความเสื่อม แต่ยังไม่เสื่อมมากยังพอมีความสงบมีความปลอดภัยได้อยู่ได้อยู่แต่มันจะเสื่อมมากก็ไปกว่านี้เรื่อยๆจุดเจริญที่สูงสุดก็จุดที่พระพุทธเจ้าตัดสรู้นั่นแหละช่วงนั้นแหละเป็นยุคที่เจริญที่สุดเป็นยุคที่คนมีการรักษาศีลปฏิบัติธรรมกันมากที่สุดสมัยนี้คนรักษาศีลปฏิบัติธรรมนี้จะน้อยลงไป เมื่อเปรียบเทียบกับสมัยพุทธกาลอันนี้เพียงกึ่งพุทธกาลเท่านั้นเองเดี๋ยวพอห้าพันปีแล้วนี่ไม่มีคําสอนอยู่แล้วทีนี้ก็เหมือนกับไม่มีจราจรมาคอยมาคอยห้ามปากนะ้ทีนี้ใครอยากจะทำอะไรตามความอยากก็ทํากันเพราะจะไม่กลัวสวรรค์ไม่กลัวนรกกันแะ้วไม่มีใครรู้ว่ามีนรกมีสวรรค์กันก็คิดว่าทําแล้วตายแล้วก็จบ เิ็นทำบาปกันได้เต็มที่ซึ่งมันก็เกิดขึ้นแล้วในบางสังคมสังคมที่ไม่มีพระพุทธศาสนาแล้วนี้ฆ่ากันเป็นผักเป็นปลาแก่งแย่ ง, งผลประโยชน์กันต่อไปมันก็จะกระจายไปกว้างขึ้นกว้างขึ้นต่อไปพุทธศาสนาของเราก็หายไปก็จะไม่มีใครมาเตือนมาสอนมาห้าม ทีนี้ก็จะเพิ่มการฆ่ากันฟันกันมากขึ้นไปเรื่อยๆจนในที่สุดก็ฆ่าฟันกันตายกันเองกันหมดะระเบิดนิวเคลียร์เราลูกสองลูกก็ไปกันหมดเขาลูกเราลูกเขายิงเราทีเรายิงเขาทีก็ไปกันหมดนั่นแหละคืออนาคตของของสังคมในยุคเสี่ยงพอตายหมดแล้วพวกที่หลบไปอยู่ที่ปลอดภัยก็จะออกมาสร้างสังคมใหม่ เราก็จะมีการรักษาศีลปฏิบัติธรรมกันใหม่แล้วก็จะมีพระพุทธเจ้าองค์ใหม่มาตัดสรู้ต่อไปแล้วก็จะเสื่อมลงมากลับมาจุดที่เราอยู่ตรงนี้อีกมันก็เป็นอย่างนี้ไปเป็นยุคยุคมันเป็นวัตตะของของโลกเป็นอย่างนี้มีการเจริญแล้วก็มีการเสื่อมไปแต่เราถ้าเราไม่ต้องกลับมาเกิดเราก็ไม่ต้องมากังวลกับการเสื่อมของโลกของสังคม ยังเราเราช่วยคนอื่นไม่ได้หรอกเราช่วยได้ก็เพียงตัวเราเองเท่านั้นช่วยกันหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนี่ทําให้กันปฏิบัติแทนกันไม่ได้สอนได้บอกได้แต่ทําแทนกันไม่ได้เพราะพุทธเจ้าสอนพวกเราได้แต่ทําให้พวกเราหลุดพ้นกันเองไม่ได้เราต้องทํากันเองอยงั้นเราอย่าไป ผัดวันประกันพรุ่งไม่ทําวันนี้มันก็ต้องทําพรุ่งนี้อืทําได้เร็วเท่าไหร่งานก็จะเสร็จเร็วขึ้นเท่านั้นเสร็จแล้วขึ้นความทุกข์ก็จะหมดเร็วถ้าไม่ทํามันก็จะทุกข์ไปได้เรื่อยเหมือนโครคภัยไข้เจ็บถ้าไม่รีบรักษามันก็ยังไม่หายอยู่นั่นแหละมันก็เจ็บอยู่เท่านั้นพอรักษาปั๊บมันก็จะหายแล้วก็จะสบาย แต่เวลารักษาก็ต้องเจ็บบ้างเวลาผ่าตัดมันก็ต้องเจ็บแต่เจ็บว่าเดียวมันหายการปฏิบัติธรรมมันก็ต้องทุกข์บ้างต้องทุกข์ยากลำบากต้องอยู่แบบอดอยากขาดแค้นอดมือ้อกินมือเพราะมันทำให้ปฏิบัติกนะ้าวหน้าถ้าอิ่มมีพีมันนี่มันขี้เกียจมันจะไม่ปฏิบัติมันจะนอนอย่างเดียว แต่ถ้ามันอดมือกินมื้อนี่มันมีความทุกข์มาคอยกระทุ้งใจอยู่เรื่อยๆทําให้ต้องหาที่พึ่งทางใจก็ต้องปฏิบัติพอปฏิบัติจิตสงบความทุกข์ทางใจก็หายไปดังนอย่าไปกลัวความทุกข์ถ้าเป็นความทุกข์เพื่อให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์นี่อย่าไปกลัวอยอมทุกข์เป็นการลงทุนที่คุ้มค่า จะได้ความสุขที่เป็นประมังสุขขังต่อไปเหมือนกับคนที่เป็นโครคภัยไข้เจ็บและยอมให้หมอผ่าตัดเพราะผ่าแล้วก็หายเจ็บสบายถ้าไม่ยอมผ่ากลัวเจ็บก็จะต้องเจ็บไปเรื่อยต้องพยายามกระทุ้งตัวเราเองกระตุ้นตัวเราเองให้เข้าหาพระอริยสัจสี่กัน เข้าสู่การปฏิบัติกันเข้าสู่การทำทานรักษาศีลภาวนากันนี่คือมรรคทานศีลภาวนานี่คือมรมรคมรรคที่จะต้องเจริญให้มรรคถ้ามีทานศีลภาวนาแล้วก็จะละตัณหาความอยากได้ละตัณหาได้ก็ดับทุกข์ได้ทำนิโรธให้แจ้งได้ยุติการเวียนว่าตายเกิดได้ ทั้งหมดอยู่ที่ตัวมครคนี่เองตอนนี้เราไม่มีมร์กันไม่มีทานไม่มีศีลไม่มีภาวนากันมีก็มีไม่มากมีพอหอมปากหอมคอถ้าเป็นสินค้าก็เป็นสินค้าตัวอย่างก็มาแจกให้เราทดลองดูกันแต่ของจริงนี่ยังไม่มาเพราะจะได้ของจริงนี่ต้องเสียเงินนั่นเอง ต้องทำทานต้องต้องสละความสุขทางโลกไปถึงจะได้ถึงจะได้ของจริงถ้าไม่ยอมสละก็จะไม่ได้ของจริงได้ของตัวอย่างถามว่ามาครับมีคําถามตกทางครับคึณคุณบ๊อบ ป, ปนะ๊อตครับครับคำถามจากทาง facebook นะครับจากคุณนานซีนะครับเรียนถามสองข้อ ข้อหนึ่งสาเหตุใดหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นจึงสอนให้บริกรรมพุทโธไม่ใช่กรรมฐานห้องอื่นๆเช่นอนาณาปานสติที่มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลการบริกรรมพุทโธมีนัยยะคุณสมบัติอะไรพิเศษเหมาะกว่าอาณาปานสติหรือเปล่าคะหลวงปู่ท่านจึงเน้นสอน ให้บริการพุทธโธพุทธโธไปเพราะมันง่ายที่สุดไงจะไปทําของยากทําไมอาณาปณะสตินี้ไม่ทําได้เฉพาะเวลานั่งเท่านั้นเองเวลาทาลําภารกิจอื่นๆนี้มันดูลมไม่ได้แต่เราบริการพุทธโธได้ตลอดเวลาไม่ว่าเราจะทําอะไรที่ไหนเมื่ อ, อไหร่ท่องพุทธโธไปได้ตลอดเวลาแต่ดูลมนี่ดูยาก นมนี่จะเห็นชัดก็ตอนที่เรานั่งหลับตาเท่านั้นเองดังนั้นท่านจึงสอนพุโทโธมันง่ายแล้วคนส่วนใหญ่ก็ไม่มีความสามารถที่จะดูลมได้ท่านจึงสอนพุโทโธให้กับแม้แต่ชาวเขาหลวงปู่มั่นยังสอนพุโทโธเลยลาวปะาชาวเขาเห็นหลวงปู่มั่นเดินจงกรมไปเดินจงกรมมาก็ถามว่าท่านกำลังหาอะไรอยู่ท่านก็บอกว่าหาพุโทโธเว้ย ออผมช่วยหาให้ไหมเออดีช่วยหน่อยเลยต้องหายัางไงก็บอกท่างพุโทโธพุโทโธไปเดี๋ยวก็จะเจอมันเองะเออเป็นอบายของท่านสอนคนป่าคนเขาที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวถ้าสอนไปให้มันดูลมมันก็จะดูทําไมนมมันก็มีอยู่กับตัวมันมาตั้งแต่เกิดแล้วแต่ให้มันหาพุโทโธนี่ยมันคิดว่าเป็นกําลังหาเพชรหาพลหาของดีหาของวิเศษเข้าใจไหม ข้อสองครับอยากทราบคุณสมบัติของพระโสดาบันและการปฏิบัติเพื่อถึงความเป็นพระโสดาบันก็เคยตอบมาแล้วการจะเป็นโสดาบันก็ต้องละสังโยชน์สารประการคือวิจิกิจช ะ, ะคือสิ อ, อานี้ก่อนอสกายาทิฏฐิสกายาทิฏฐิก็คือความเห็นว่า อร่างกายเป็นเราเป็นของเราเวทนาเป็นตัวเราของเราอันนี้คือเห็นขันห้าวว่าเป็นตัวเราของเราซึ่งความจริงมันไม่ได้เป็นตัวเราของเราก็ต้องปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิอทําทใจให้สงบแล้วก็ดูถ้าใจสงบแล้วก็จะเห็นว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้ไม่ใช่ตัวเราเพราะเราไปห้ามมันไม่ได้ไปสั่งมันไม่ได้ ร่างกายก็มาจากดินน้ำลมไฟร่างกายถ้าไม่มีข้าวปิ้นมันจะมีร่างกายนี้ได้หรือเปล่าข้าวมันมาจากไหนข้าวมันก็มาจากดินจากน้ําจากลมจากไฟนี่ผักก็มาจากดินจากน้ําจากลมจากไฟเนื้อสัตว์ต่างๆมันก็ต้องกินผักกินข้าวกินหญ้ามันถึงจะเป็นตัวสัตว์ขึ้นมาได้มันก็เป็นดินน้ํำลมไฟทั้งนั้นเวลาตายไปร่างกายมันหายไปไหน มันก็เคิ้สู่ดินน้ำลมไฟไปเอาไปเผาแล้วมันก็กลายเป็นขี้เถ้าไปกลายเป็นเศษกระดูกไปส่วนที่เป็นน้ำก็ระเหยไปถูกไฟส่วนความร้อนก็หายไปลมก็หายไปก็มีเท่านั้นมันก็เป็นดินน้ำลมไฟเวทนามันก็เป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากการแปรปรวนของร่างกายเวลาร่างกายปวดท้องมันก็เกิดเวทนาขึ้นมา เราก็ห้าม ม, ม, Pierre, ม, าามันไม่ได้มันจะเกิดมันจะดับเราก็ห้ามมันไม่ได้ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์ก็เราก็ต้องปล่อยมันไปมันจะป่วยก็ปล่อยมันป่วดไปร่างกายมันจะแก่จะเจ็บจะตายก็ต้องปล่อยมันไปพอปล่อยได้พอเห็นว่าเราไปห้ามมันไม่ได้ก็จะละปล่อยวางได้เห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเราของเราอันนี้เรียกว่าละสักกายทิฏฐิพอละสักายทิฏฐิก็จะ เห็นอริยสัจสี่เห็นว่าทุกเกิดจากเกิดจากความอยากของเราถ้าไม่อยากทุกข์ก็อย่าไปอยากเห็นเวลาไม่สบายใจแทนที่จะไปทาพิธีสะเดาะเคาะต่างๆไปหาหมอดูไปทาพิธีกรรมต่างๆให้สบายใจก็ไม่ต้องไปทำมันเพียงแต่ปองเท่านี้มันก็สบายใจแล้วยอมรับความจริงว่าทุกอย่างมีเจริญมีเสื่อมตอนนี้ ชีวิตเราตกต่ำก็ยอมรับว่าเป็นขาลงของชีวิตเราอย่าไปอยากให้มันหายไปยิ่งอยากก็ยิ่งทุกข์ใหญ่พอยอมรับความจริงมันก็หายทุกข์มันก็ต้องมันก็ละศีละพัตตะปาละมาได้มันไม่ต้องไปทำพิธีกรรมต่างๆเพื่อมาดับความไม่สบายใจเมื่อเห็นเห็นการปฏิบัติดับความทุกข์ได้ก็จะเห็นว่าอ๋อนี่เป็นคาสอนของพระพุทธเจ้า สแสดงว่าพระเจ้าต้องมีจริงก็จะรู้ว่าเห็นผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้ที่เห็นตถาคตเห็นก็เห็นธรรมผู้ที่จะเห็นธรรมเห็นตถาคตก็คือผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั่นเองก็คือผู้เจริญมรรคก็คือตัวเรานี่ก็จะรู้ว่าอ๋อเราได้กลายเป็นสวดาบันขึ้นมาแล้วเข้าใจไหม ยังมีคําถามตกค้างอีกครับอของคุณแมงสีนะครับ <S <S จิตที่สงบได้ละเอียดมากหรือละเอียดน้อยเป็นความหมายเดียวกับจิตที่สงบมากหรือน้อยใช่หรือไม่โอ้ยอย่าไปสนใจมันเลยขอให้มันสงบก็แล้วกันเหมือนกินข้าวนะมันจะอิ่มมากอิ่มน้อยก็มันก็ขอให้มันอิ่มก็แล้วกัน เหมือนกันเน่ยอันนั้นเป็นคำโวหารคำพูดขอการปฏิบัตินี่ก็เพื่อให้มันสงบเท่านั้นมันจะสงบมันจะละเอียดก็ช่างหัวมันเนี่ยขอให้มันสบายใจใจเป็นอุเบกขาไม่มีความอยากก็ใช้ได้แล้วจากท่านเดิมนะครับที่หลวงตาพูดว่าจิตลงปัจจุบันแล้วหมายความว่าอย่างไร ก็คือเวลามีสติใจก็จะไม่ลอยไปอดีตไม่ไปอนาคตมันก็จะอยู่ปัจจุบันอพออยู่ปัจจุบันนั้นก็จะสงบได้เพราะทางเข้าสู่ความสงบก็คือปัจจุบันนี้เองถ้าอยู่อดีตมันก็เข้าไม่ได้ถ้าอยู่อนาคตมันก็เข้าไม่ได้มันต้องอยู่ในปัจจุบันเราจึงต้องใช้พุโทโธดื่มจิตให้อยู่ในปัจจุบันเพราะจิตอยู่ในปัจจุบันมันก็จะสงบเองอข้อต่อไปนะครับ ปัญญาญาความหมายเหมือนกับปัญญาในศีลสมาธิปัญญาหรือไม่เออนั่นแหละอันเดียวกันนั่นแหละปัญญาก็คือความรู้แจ้งเห็นจริงเห็นอ น, นิจจังทุกขังอนัตตานี่นี่นก็ปัญญาทีเขาก็มีโวหารมีคำพูดต่างๆกันไปเท่านั้นเองแต่ความหมายโดยรวมก็คือ ความรู้อริยสัจสี่รู้อ น, นิจจังทุกขังอนัตตาเรียกว่าปัญญาเป็นความรู้ที่ดับความทุกข์ได้ละกิเลสตัณหาได้แล้วก็มีคุณด็เตอร์วราการสุขสดเขียวนะครับได้จัดพิมพ์หนังสือของพระอาจารย์เพื่อแจกในงานที่จังหวัดนคปรปฐมนะครับแต่ไม่ได้ขออนุญาตนะครับก็เขาบอกว่าเขากล่าบขอเขมาที่ไม่ได้ขออนุญาตก่อนครับผม ก็ในหนังสือของเราทุกเล่มเราก็ได้เขียนคําอนุญาตไว้แล้วว่าถ้าใครจะเอาหนังสือของเรานี้ไปพิมพ์แจกจ่ายเพื่อเป็นธรรมทานนี้ก็สามารถทําได้เลยโดยไม่ต้องขออนุญาตแต่อย่างใดคือให้ถือหลักว่าการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงทางนี้เองธรรมทานขอให้เป็นธรรมทานเป็นบุญเป็นกุศลเพราะทํานี้มีคุณค่ายิ่งกว่าเงินทอง เงินทองถ้าไหลายนี้จะไม่สามารถที่จะมาซื้อธรรมะได้พระพุทธเจ้าไม่เคยสงวนลิขธธิ์คําสอนของพระพุทธเจ้าไม่เคยเก็บตังค์ไม่เหมือนสมัยนี้เวลาแสดงธรรมนี่มีการเลี่ยายกันมีการโทุกกันเทศกันอันนี้เทศแบ บ, บเปลกไม่ได้เทศแบบธรรมเทศแบบธรรมแล้วไม่ต้องมีการทุกขกันเทศแต่คนจะมีจิตศรัทธาอยากจะทําบุญ เพื่อเป็นการบูชาอันนี้ก็เรื่องของของแต่ละบุคคลแต่ไม่ควรกระทำแบบขอกันแบบเอาเอาบาตเอาพานเอาถาดมาเลี้ยลายกันอย่างมเพราะเป็นธรรมทานเพราะพุทธเจ้าทรงทร ง, ทรงให้ธรรมะโดยไม่ได้เก็บเงินเก็บทองแล้วพวกเราลูกสิษย์ตถาคตทําไมมาเก็บเงินเก็บทองกัน เรามาบวชหาธรรมหรือมาบวชหาหาเงินหาทองกันดังนั้นหนังสือธรรมะที่ขายอยู่ในร้านนี่ถือว่าผิดหมดใช่ไหมครับอาจารย์ก็เป็นเกเรจน์แล้วกันอย่ว่าผิดไม่ผิดมันไม่เป็นธรรมทานเขาเขาเรียกว่าเอาธรรมะมาเป็นเครื่องมือหากินกันอย่าว่าแต่หนังสือธรรมะเลยรูปของกูบาอาจารย์ต่างๆก็ทําเพระพุทธรูปนี่ก็ทําขายกันเป็นอาชีพกัน อันนี้ก็เป็นเหมือนกับหากินกับศาสนาคือไม่ไม่ได้อันนี้สมและก็เป็นบาปด้วยใช่ไหครับอาจารย์หรือว่าก็เป็นกา ร, เ ป, การเป็นการส่งเสริมกิเลสตัณหาของตนนั้นเองแทนที่จะมาตัดกิเลสตัณหาเพราะว่าได้มาพบกับพระพุทธศาสนาที่จะสอนให้เราตัดกิเลสตัณหาเพื่อให้เราได้หลุดพ้นจากความทุกข์ เรากลับมาทำสวนทางกับคาสอนเอกลับมาเอาศาสนามาเป็นเครื่องมือสร้างกิเลสของตนให้มากขึ้นแทนที่จะเอาศาสนามาตัดกิเลสของตนให้น้อยลงกลับเอาศาสนามาเพิ่มกิเลสให้มากขึ้นอาจารย์ครับแล้วป้าคนหนึ่งที่ผมได้กลับเรียนไปเมื่อตอนต้นนะครับที่เขา ทำบุญถ้าจนไม่มีตังจะใช้ไม่มีตังจะกินข้าวนี่ครับเขาเลือกทําบุญกับพระด้วยครับบางทีองค์นี้ไม่ให้พรไม่ทํา อ, องค์นี้อะไรอย่างนะางี้ครับไม่ทําอย่างเงี้ยครับก็ยังไม่เข้าใจหลักของการทําทานนั่นเองเขาทําไปตามกิเลสของเขาตามความอยากของเขาเพราะว่าเขาไม่ได้ศึกษาพราะทำคําสอนคนไทยเราส่วนใหญ่นี้ไม่ได้ศึกษากันอาศัย ได้ยินได้ฟังกันมาเป็นทอดๆซึ่งเป็นความสอนเป็นความเข้าใจที่ห่างไกลจากหลักธรรมแล้วทุกวันนี้เช่นการเดี๋ยวนี้บินทบาทก็ต้องให้พรกันอันนี้ก็กลายเป็นปัญหาขึ้นมาแล้วพระองค์ไหนไม่ให้พรกลายเป็นพระไม่ดีซะแล้วก็บอกแล้วว่าการบินทบาทเป็นการโปรดสัตว์ไม่ได้เป็นการมาขออะไรกัน เมื่อได้อะไรก็ไม่ต้องมาขอบอกขอบใจให้พรตอบแทนกันเข้าใจหมคนใส่บาตรก็ไม่ได้หวังอะไรตอบแทนจากผู้รับคนใส่บาตรต้องการบุญบุญก็คือการให้การบอยจากการเสียสละอันนี้ต่างหากคือเรื่องของการบิณฑบาตเดี๋ยวนี้กลายเป็นทานิจกันเป็นการแลกเปลี่ยนกันฉันให้กับข้าวหลวงพ่อหลวงพ่อต้องให้พรฉั น, น ฉันอยากจะร่าอยากจะรวยอยากจะอยู่อย่างมั่งมีสีสุกพอพระบอกอายุวันโนสุขขังพลังเนี่โอสาธุสาธุใหญ่มันก็เป็นคำพูดแบะเหมือนคำพูดที่ไม่มีความหมายอะไรหรอกมันทำให้เรามีอายุมั่นขวันยืนมั่งมีสีสุกหรือเปล่ามันก็เหมือนเดิมหมันไม่ได้อยู่ที่คำพูดของคนมันอยู่ที่การกระทาของเรา แล้วแล้วในขณะที่เขาตักบาตรกับพระอาจารย์ในขณะที่เขาคิดว่าถ้าเขาถ้าเขายังไม่ได้รับพรเนี่ยเขาจะไม่ได้บุญอดังนั้นพอที่เขาตักบาตรไปแล้วเนี่ยเขาไม่ได้รับพรเขาคิดว่าเขาไม่ได้รับบุญเขาไม่มีความสุขเกิดจากตรงนั้นไม่เกิดปีติจากตรงนั้นแต่ในอา่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะได้อานิสงส์ของส่วนนั้นไปแล้วใช่ไหมครับหรือว่ายังยังไงครับ ถ้าทำโดยโดยที่จิตใจไม่น้อมไปตามตามหลักของบุญมันก็ไม่ได้บุญ เ, เพราะมันเป็นการพาณิชย์ไงเหมือนกับคนไปซื้อของอย่างเงี้ยไปซื้อของคนให้เงินเขาเขาให้ของคุณมานี่คคุณได้บุญหรือเปล่าไม่ได้บุญอคุณได้ของเลยถ้าทำบุญเพื่อขอพรอ น, นี้ก็จะได้พรแต่ไม่ได้บุญจะเล้าเพรา ะ, ะาาใจไม่ได้น้อมไปที่บุญ บุญก็คือการให้โดยไม่มีข้อแม้แต่อย่างใดให้เพื่อให้ผู้รับนี้มีความสุขบรรเทาความทุกข์ของผู้รับเมื่อเราได้ให้ความสุขแก่ผู้อื่นความสุขนั้นก็จะกลับมาหาเราใจเราก็จะมีความสุขใจอันนี้แหละคือบุญการทําบุญก็คือการให้โดยที่ไม่มีข้อแม้อันใดเลยไม่มีความหวังไม่ความต้องการอะไรเป็นสิ่งตอบแทนเลย แม้แต่คาให้พรก็ไม่มีสมัยก่อนเขาเป็นสบายก็ไม่มีการให้พอรอยู่้ไม่รู้นะยุคเราไปอยู่วัดที่เขาไม่มีการให้พรเงี้ยก็เลยมาเดี๋ยวนี้ไม่ทราบใครมาริเริ่มกันขึ้นมาทํากันแล้วก็เลยตามทําตามกันใหญ่พอคนทําคนไม่ทําก็เลยกลายเป็นคนแปลกไปคนเพี้ยนไปไอ้คนเพียนนเพ้ยนนะกลายเป็นคนคนถูกไปเนี่ยาศาสนามันจะแปลงพันไปเรื่อย กับตาละปัดกันไปหมดแล้วเดี๋ยวนี้ทำบุญเพื่อเอาผ่อนไม่ใช่ทำบุญเพื่อเอาบุญแล้ว เ, เรียกทำบุญทำไมก็เรียกทําพรเลต่อไปต่อไปฉันจะทําพรฉันไม่ทําบุญแล้วหรือจะทาเงินก็ได้บางวัดบ่อะยิ่งทํายิ่งรวยเนี่ยมันกลายเป็นเครื่องมือของมิจฉาชีพของกิเลสตัณหาไปหมดแล้ว การที่จะสอนให้คนละลาบยศสรรเสริญกับสอนให้คนสะสมสร้างสะทรัลาบยศสรรเสริญให้มีมากขึ้นไปโดยไม่รู้เลยว่ายิ่งมีมากก็ยิ่งทุกมากเนี่ยศาสนาพุทธส อ, สอนเพื่อให้ดับความทุกข์ไม่ใช่สอนให้สะสมความทุกข์การสะสมลาบยศสรรเสริญสะสม ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยเป็นความสะสมความทุกข์ยิ่งมีมากก็ยิ่งทุกข์มากเอาระหว่างเศรษฐีร้อยล้านพันล้านกับขอทานข้างถนนนี่ใครจะทุกข์ก็มากกว่ากันทุกใจนี่ใครจะทุกข์มากกว่ากันขอทานมันนอนที่ไหนก็นอนได้มันไม่เห็นทุกข์ตรงไหนไม่มีใครจะมาป้นมาดีมั น, นแต่มหาเศรษฐีร้อยล้านให้มันนอนข้างถนนแบบขอทานได้ปะ หวาดภาวอยู่บ้านก็ยังต้องมีรอพอพอ ม, มีระบบป้องกันอะไรต่างๆนาะนาะเต็มไปหมดนี่อันนี้เป็นความสุขเลยเป็นความสุขใจเลยเป็นความหวาดกลัวทั้งนั้นแหละบ้าใจครับมีเพื่อนมาเวลาเขามาขอเขอ้าป่ออจาจะเราปฏิูสธไนมเป็นตบะไหม <l att> ไม่บาปไม่บาป กไม่แน่ว่าจะได้บุญหรือเปล่าเพราะเป็นการส่งเสริมให้เขาทำลายศาสนาพุาทธเนี่ย ป, ป้าป๋าก็ทําปเลยใคอยากจะทําก็ทําไปเลยไม่ต้องมาเรียรายกันเป็นเรื่องของเป็นเรื่องของปัจเจ ก, กับบุคคลการทําบุญไม่ว่าในรูปแบบไหน น, นี่เป็นเรื่องของปัจเจ ก, กับบุคคลอยากคุณมาทําบุญคุณต้องไปเรีรายเขาก่อนอเขาป่าวันนี้ผมจะมาทําบุญ ไม่ต้องเรียออะไรคุณก็ทําของคุณไปเลยเขาอยากจะทอดผ้าป่าก็ไปทอดเลยผ้าป่ามันมันเกี่ยวอะไรกับเงินทองผ้าป่าก็คือผ้านี่เองแล้วแล้วส่วนมากท่านอาจารย์ด้วแกมคนางๆคือทําไปแล้วก็ทูกเรื่องนี้ติดกล่องเรื่อนั่นน่ะสิเขาเลยบอกว่าจะไปคล้องดีกว่าจะรากเงิกับส่วนภระีครับอาจารก็เลยไม่พูดมากพูดเดี๋ยวก็โดนเขาตีหัวไม่ขาดผลประโยชน์เขาอย่างนี้การทําบุญนี่เป็นเรื่องส่วนตัว อยากจะทําบุญภาพป่าอยากจะทอดกรถินนั้นก็ทําไปสิไม่มีใครก็ห้ามบอกบุญก็ได้แต่ไม่ต้องเอาซองมาเอามาเรียกรายมาขอเงินเขาบอกคนได้บอกญาติสนิทมิสหายนะว่าปีนี้เราจะเป็นเจ้าภาพทอดกรถินวันนี้นะก็บอกแค่นั้นเองนี่เรียกว่าบอกบุญถ้าใครอยากจะร่วมก็มามาแบบไหนก็ได้จะส่งเงินมาก็ได้จะมาร่วมด้วยก็ได้ไม่มาก็ได้ไม่มีปัญหาอะไรอันนี้คือหลักของการบอกบุญบอกได้ แต่ น, นี้ไม่บอกบุญแล้วมันเรียกรีดไถกันก็มากกว่าเออเอกรรมการใช่เอาทรงเอาซองม า, มาออย่างเนี้ยก็ดันมันใส่ใส่ไปซองละห้าซ่าห้าบาทมามกฎต้องบอกถเป็นกรรมการต้องอยากไว้ต้องร้อยหนึ่งน ะ, ะถ้าทำอย่างนี้คุณจะได้บุญหรือเปล่าเพราะเป็นการรีดไถอย่างนไปและเป็นการเป็นการป้นเป็นการ จี้กันแล้วล่ะบังคับใจกันแล้วการทําบุญนี่บังคับใจกันไม่ได้ต้องออกมาจากใจของตนเองถึงจะได้บุญอย่างนี้เรียกเป็นการแลกเปลี่ยนมากกว่าเขาเราทําบุญเข้ามาช่วยเขาทําบุญเราต้องไปช่วยเขาอย่างเงี้ยมันเป็นการแลกเปลี่ยนกันแล้มัน ไ, ไม่ได้เกิดจากความอยากจะทําำ นั่นแหละเอะอเราไม่สนใจใครเอาผ้าป่าอะไรมาให้ไม่ต้องไปสนใจเราอยากจะทำเราไปทำของเราเองแล้วเราบางทีก็ไม่รู้ว่ามามาในรูปแบบไหนบ้างก็ไม่รู้มามาต้มตุนเราหรือเปล่าก็ไม่รู้อย่างนี้มีทั้งแม่ชีมีทั้งพระถือบาตรไปตามตลาดตามห้างร้านต่างๆผ้าป่าวัดนู้นวัดนี้ มันไปถึงวัดหรือเปล่าก็ไม่รู้หรือวัดครึ่งกรรมการครึ่งก็ไม่รู้นะถ้าเราอยากจะทำบุญเราก็ไปทำของเราเองเราไปวัดทำวัดที่เราศรัทธาที่เรามีความมั่นใจว่าทำแล้วได้ประโยชน์กับศาสนาจริงๆเราก็ทำแล้วถ้ามีเพื่อนฝูงเราก็บอกได้แต่เราอย่าไปเที่ยวเข็นบังคับขังทนั้นเอง พราบางทีเพื่อนฝูงเขาก็ไม่รู้จะไปทําที่ไหนพอมีคนที่ไว้ใจได้เชื่อใจได้ว่าจะไปทําวัด น, นั้นวันนี้เขาก็อาจจะฝากไปหรือว่าบางทีก็อยากจะไปดูวัดด้วยเขาก็จะ้ติดตามเราไปเพราะบางทีทําพังเขาอาจจะไปเองไม่ได้<ม>การบอกบุญก็เพื่อไปเพื่อเพื่อเพื่อผลอันนี้เพื่อสงเคราะห์ผู้ที่อาจจะไม่สามารถทําบุญได้ด้วยตนเองถ้าไม่มีคนอื่นทําตัวเองไม่มีรถไม่มีอะไรอย่างนี้ ไปไม่ได้ไม่รู้วัดอยู่ที่ไหนวัดดีอยู่ที่ไหนไม่รู้อย่างี้พอคนดีคนรู้ว่าวัดดีที่ไหนมาบอกมาชวนถ้าอยากจะไปก็ตามไปได้เองเขาก็จะได้มีโอกาสทำได้ได้ทำบุญบอกอย่นี้ได้อยู่แต่อย่าไปบอกแบบในเชิงบังคับกันพิมพ์ซองมาถึงต้องได้เท่านั้นเท่านี้นะออย่างนี้มันไม่ใช่เป็นการบอกบุญละเป็นการจี้ละ อาจารย์ครับอทุกของพระพุทธเจ้าที่สุดของทุกขของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็คงจะเป็นพระราหุนแล้วอพระลาหุนเนี่ยอที่เป็นบุตรเนี่ยถือว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรครับเป็นเป็นเป็นวิบากของพระพุทธเจ้าไหมครับหรือว่ายัางไงครับที่ต้องมาทําให้ท่านทุกได้ที่สุดนะครับ เราก็ไม่เคยคิดว่าพระเจ้าทุกข์กับพระลาหุนเลยเพราะท่านรู้ทันก่อนไงพอรู้ว่าออกลูกออกมาก็ไม่ไปดูไม่ไปรับรู้ไม่ไปยอมเห็นหน้าเพราะรู้ว่าโดยธรรมชาติของกิเลสตัณหานี้พออะไรเป็นของตนแล้วก็จะรักจะหวงจะห่วงให้อ อ, ออกก่อ น, ท, น, นท่านัเองท่านท่านฉลาดท่านถึงอุทานว่าบ่วงเลยบ่วงได้เกิดขึ้นแล้วคําว่าราหุนนี่แปลว่าบ่วง ลูกชายพระราหุลก็เลยชื่อไม่ชื่อว่าราหุลแปลว่าบวกพอดูแล้วตลอดทั้งชีวิตท่านเนี่ยที่ถ้าจะทุกข์ที่สุดก็ต้องเป็นรพระราหุลพ่อแม่ก็ต้องทุกข์กับลูกมาก<ช>ที่สุด<ช>คือรักลูกรักสิงไหนมากที่สุดก็จะทุกข์กับสิ่งนั้นมากที่สุดพอรักแล้วก็อยากจะให้เขาดีพอเขาไม่ดีก็ทุกข์แล้วพอเขาจากเราไปก็ยิ่งทุกข์ใหญ่ แต่พระเจ้าท่านฉลาดเนี่ยท่านรู้ทันรู้ว่ามีบ่วงมาดักแล้วเหมือนกวางมันกวงที่ฉลาดเห็นบ่วงก็ไม่ไปเหยียบบ่วงก็ไม่ติดบ่วงไม่ติดกลับถ้าไปดูลูกปั๊บก็เดี๋ยวใจอ่อนแนละ้วไปไม่ได้ใช่แล้วมีภาระต้องเลี้ยงลูกแล้วห่วงลูกห่วงเมียใช่แล้วเลยไม่ยอมไปดูหนีไปเลยคือนั้นไม่บอกใครด้วยไปแบบเงียบ มีคนไปส่งคนเดียวในฉันนะอันนี้แหละเป็นนักปราชญ์ถึงทำให้ท่านหลุดพ้นจากวัฏจักรแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้โดยที่ไม่มีใครสอนเนี่ยท่านมีปัญญามีความฉลาดมากท่านรู้ว่าอะไรเป็นอุปสรรคท่านรู้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่เอื้อต่อการบำเพ็ญ พวกเราเนี้ถ้าไม่มีพระเจ้ามาสอนมามีเป็นตัวอย่างให้เห็นเนี้ยไม่มีวันที่จะหลุดได้หรอกขนาดมียังไม่หลุดเลยยังไม่ยอมหลุดเลยเวลาบริกรรมบริกรรมให้ตรงตรงซวงอกหรือตรงหัวใจหรือตรงสมองไม่ให้ให้บริกรรมอยู่ที่คําบริกรรมตั้งบางทีก็วิ่งขึ้นวิ่ลง อย่าไปวิ่งเนี่ยให้อยู่กับคําบริกรรมอย่าไปสนใจให้จิตอยู่กับคําบริกรรมเหมือนเวลาเราพูดเราคำพูดเราก็อยู่กับคำพูดใช่ไหมเ <aret. S 1> วลาเราท่องเราก็ท่องให้อยู่กับคําที่เราท่องอยู่เท่านั้นเอง่ไม่ต้องสนใจเขาไม่ไปไหนหรอกเราะอยู่ที่อยู่ที่ความคิดของอยู่ที่ความคิดปรุงแต่งของเหล่านี้เองไม่ต้องวางถ้าใช้พุทโธไม่ต้องไวาอไม่ต้องวางถ้าใช้พุทโธไม่ต้องไปวางที่ไหน ให้รู้อยู่กับพุทธโธให้รู้ว่าตอนนี้ไม่มีความคิดมาแทรกท่านั่นเองถ้ามีความคิดมาแทรกก็อย่าตามตามความคิดนั้นไปให้ให้ตามพุทธโธต่อไปอย่าหยุดพุทธโธถ้าอยุดพุทธโธเมื่อไหร่เดี๋ยวความคิดมันก็จะมาดึงเราไปทันทีพอดึงไปแล้วมันก็จะเกิดอารมณ์ต่างๆขึ้นมามันก็จะไม่ว่างมันจะไม่สงบแต่ถ้าอยู่กับพุทธโธแล้วมันจะไม่มีอารมณ์ไม่มีความอยากจะมีแต่ความว่างเป็นปัจจุบัน แล้วท่านนั่งอยู่เฉยๆดับตาได้มันก็จะรว่เข้าสู่ความสงบได้พอาจารย์ครับถ้านั่งสมาธิเนี่ยจะทําให้ปวดขาหรือไม่ปวดขาเนี่ยเกี่ยวที่การนั่งด้วยไหมครับะอาจารย์เพราะผมสังเกต ว, ว่าถ้าเกิดเรานั่งเนี่ยแล้วเราไปปล่อยให้ตัวเราเนี่ยกดขับไปข้างหน้าเนี่ยโดยที่แขนนะี่ยจะอกดอยู่ที่ขาเนี่ยมันจะทําให้เข่าเนี่ยจะทําให้ ตาต่อมเนี่ยยิ่งปวดเท่าใหญ่แต่ถ้านั่งตัวตรงเนี่ยมันจะไม่มีอะไรกดทรับพีข่ขาใช่ก็ต้องนั่งให้ตรงไงเพราะนั่งให้ตรงแล้วก็อย่างเงี้ยพอนั่งตรงแล้วก็ไม่ต้องไปสนใจแล้วเวลานั่งแล้วบางทีจิตมันจะหลอกเราว่าเอ๊ะมันเอ็นไปทางขวาเอ็นไปทางซ้ายเอ็นไปข้างหน้าเอ็นไปข้างหลังอย่าไปปรับอย่าไปสนใจถ้าปรับเดี๋ยวมันก็ต้องปรับไปเลยเอะมากเกินไปอน้อยเกินไปเลยไม่ได้ภาวนาพอไม่ได้ภาวนาแล้วเดี๋ยวมันก็จะเกิดตันหาความอยาก อยากจะลุกมันก็จะเกิดอาการรู้สึเกเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ขึ้นมาซึ่งความจริงมันเจ็บมันปวดแต่มันไม่เป็นปัญหาถ้าเราภาวนาอยู่ถ้าเราภาวนาไม่สนใจกมันความเจ็บเหล่านี้จะไม่เป็นปัญหาเหมือนกับเรานั่งดูหนังเนี่ยนั่งได้ทั้งสองชั่วโมงไม่มีปัญหาเลยเหมือนอยากจะลุกไปไหนเลยเพราะใจเราจดจ่ออ ย, อยู่กับหนังที่เราดูเยถ้าใจเราจดจ่ออยู่กับพุโทโธก็เหมือนกันถ้าอยู่กับพุโทโธแล้วมันก็จะไม่รู้สึกอยากจะลุกไม่รู้จัก จะไม่รู้สึกลำคาญกับความเจ็บของร่างกายปวดตรงนั้นคันตรงนี้นจะไม่เป็นปัญหาอะไรอแต่ถ้าไม่พุดโทนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเป็นคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เราก็อึดอัดขึ้นมาละอยากจะลุกแล้วอยากจะไปลล้วเนี่ก่อนที่จะมานั่งเราต้องพูดโธไว้มาเยอะๆก่อนถ้ามันมีกําลังไว้ไม่ใช่มาพูดโธตอนที่เริ่มนั่งมันจะมีกําลังสู้ความคิดไม่ได้หยุดความคิดไม่ได้ เราต ach ้องหยุดความคิดตัดความคิดถ้ามันอ่อนกําลังลงสร้างกําลังของพุทโธให้มีมากขึ้นไว้ก่อนก่อนที่จะมานั่งถึงเต้าพุทโธไปทั้งวันเนี่ยสอนอยู่เรื่อยว่าเริ่มตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเลยพอตื่นขึ้นมาก็พุทโธไปเลยเข้าห้องน้ําก็พุทโธล้างหน้าก็พุทโธแปรงฟันก็พุทโธหวีผมก็พุทโธแต่งเนื้อแต่งตัวก็พุทโธกินข้าวก็พุทโธเดินทางไปทํางานก็พุทโธพุทโธไป จนกว่าจะต้องใช้ความคิดเกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องการก็พักพุทธโทรไว้ชั่วขา่าวพอไม่มีความคิดเกี่ยวกับการงานก็กลับมาพุทธโทรใหม่อย่าปล่อยให้มันคิดถึงเพื่อนคิดถึงแฟนคิดถึงเย็นนี้จะกินอะไรพรุ่งนี้จะไปทำอะไรไปเที่ยวที่ไหนถ้าคิดอย่างนี้เดี๋ยวมันก็มันก็เกิดตันหาความอยากขึ้นมาถ้าพุทธโทรอยู่เรื่อยๆแล้วมันจะว่างจะเย็นจะสบาย พอไม่ต้องทำงานพักงานเวลาพักช่วงพักทำงานก็นั่งหลับตาไปไม่ต้องไปคุยกับคนนั้นคนนี้ไม่ต้องไปเปิดมือถือดูว่ามีใครส่งข่าวมาหาเราหรือไม่อยู่กับพุทธโธอย่างเดียวแล้วจะสบายจิตจะว่างจะเย็นพอนั่งเฉยๆหลับตามันก็พุทธเดียวมันก็สงบดิ่งลงเหวเลยปุ๊บลงไปเลย น, นิ่งพอ พอถึงจุดที่สงบแล้วก็ไม่ต้องพูดโทแล้วหายไปเพราะมันไม่ ม, ไ ม, มันไม่ทำอะไรแล้วมันจะนิ่งอย่างนั้นมันจะรู้เฉยเฉยรู้แล้วก็เย็นเป็นอุเบกขาอันนี้แหละพอถึงจุดนั้นแล้วจะจะมีความสุขมากจะติดใจทีนี้อยากจะทำมากๆนะพอเห็นผลแล้วเหมือนกับแทงหวยวันนี้ได้ถูก ถูกเลขท้ายสองตัวขึ้นมาก่อนนี่ทีนี้จะมีอยากจะแทงขึ้นเรื่อยๆยิ่งถ้าถูกรางวันที่หนึ่งแล้วโอ้โหทีนี้ก็จะเล่นแต่หวยแล้วไม่ไปทํามาหากินแล้วไม่ทําอย่างอื่นแล้วอันนี้ก็เหมือนกันถ้าจิตรวมเข้าสู่ความสงบแล้วมันจะลาออกจากงาน่ะไม่อยากจะทํางานไม่อยากจะเที่ยวไม่อยากจะกินไม่อยากจะดื่มอยากจะถือสินแต่อยากจะมาอยู่ที่เงีเงยบๆนั่งสมาธิเดินจงกรม พุทโธพุทโธไป เ, เห็นคุณค่าของพุทโธออืว่ามีคุณค่ายิ่งกว่าลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเพราะไม่มีอะไรให้ความอิ่มใจสุขใจเบาอกเบาใจได้เหมือนกับความสงบถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งมันไม่อิ่มใจมันไม่สุขใจนะมันรุ่นวายใจนะดิบปูจะทำไงดีเนะี <c> ่ย <oughs> จะบอกคนเดี๋ยวคนรู้เขาเขาเอามาขออีกแต่ไม่บอกเลยมันก็อยากจะบอกแล้วเกินมันดีใจ พอบอกแล้วเดี๋ยวก็โดนเขาถ่ายเรียบบางทีต้องหนีอยู่บ้านไม่ได้มีคนมาหาทั้งวันทั้งคืนคนที่ไม่เคยเป็นไม่เคยเห็นหน้าเห็นตากันเป็นปีก็จะโผล่มาแล้วอย่างนี้ม่มันเป็นทุกขลาบภราภต่างๆที่เราได้มันเป็นทุกขลาบมันไม่ใช่เป็นการสุข ไ, ได้มาแล้วใจจะต้องวุ่นวายเพราะหนึ่งก็กลัวมันจะหายกลัวมันจะหมดใช่ไหม พอได้ามาแล้วก็อยากจะรักษามันไว้พอใครมาขอแบ่งก็ไม่ไม่ให้ก็เกิดความตณีขึ้นมาแล้วเกิดความหวงขึ้นมาลกลายเป็นคนไม่มีเพื่อนไปแล้วทีนี้ซึงอยู่แบบยากจนดีกว่ามีเพื่อนเยอะ อาละนะคิดว่าพอสมควรกับเวลาบคามว่าจะขอทริธีการพิจะะารณากายการพิจารณากายนี้ก็มีหลายลักษณะด้วยกันลักษณะหนึ่งก็พิจารณาความไม่เที่ยงของร่างกายร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ตั้งแต่เกิดมานี่ก็เปลี่ยนแปลงมาเรื่อยๆขั้นตอนก็จะเจริญเติบโตพอจเจริญเติบ โ, โตเต็มที่ก็จะเริ่มแก่ลงพอแก่ลงก็จะเกิดการเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วสุดท้ายก็จะตายไปนี่คือการพิจารณาอนิจจังความไม่เที่ยงอนัตตาก็คือเราไปห้ามเขาไม่ได้ไปสั่งเขาไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายไม่ได้ ถ้าเราเห็นความจริงอันนี้เราก็จะหยุดวิภพวะตัญหาได้คือความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายถ้าเราหยุดความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้เราก็จะไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายคือเราปล่อยวางร่างกายได้อันนี้ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็ให้พิจารณาว่าไม่สุไม่สวยงามเป็นอสุภะมีอาการสามสิบสองต้องมองเข้าไปใต้ผิวหนัง ให้เห็นกระโหลกให้เห็นกระโหลกศีรษะหเห็นโครงกระดูกเห็นอวัยวะต่างๆเช่นตับไตไส้พุงหัวใจปอดมาก แ, แล้วก็เห็นสิ่งที่เป็นปฏิกูลต่างๆที่ร่างกายขับถ่ายออกมาถ้าเห็นอย่างนี้แล้วก็จะไม่เกิดการอารมณ์ก็จะดับการมาตัญหาได้แล้วกายพิจารณา หรือจะพิจารณาตอนที่ร่างกายตายไปแล้วก็ได้ว่าสวยหรือไม่สวยน่าดูหรือไม่น่าดูตายไปสามวันเป็นยังไงตายไปเจ็วันเป็นยังไงสมัยก่อนก็เอาศพไปทิ้งไว้ในป่าชา้าก็ไม่ได้ออาไปเผาหรือฝังก็ให้ดูอย่างนั้นเพื่อจะได้โปรง่งจะได้ไม่กลัวความตายจะได้ไม่เกิดการอารมณ์กับร่างกายเห็นร่างกายใครก็จะเห็นอาการ3าิสองเห็นสิ่งที่เป็นปฏิกูลขับถ่ายออกมา อันนี้เพื่อดับการมตัทหาเห็นความแก่ความเจ็บความตายเพื่อดับวิภวตันหาเห็นว่าเป็นนิน้ำหนุนตายเพื่อตัดความหลงว่าเป็นตัวของเราอนี่คือการพิจารณาร่างกายก็ต้องเวลาทำความสงบก็อย่าพิจารณาไงก็ให้ดูลมหรือบริกรรมพุทโธไป พอออกจากความสงบมาแล้วถึงค่อยพิจารณาเอพิจารณาจนมันฟุ้งแล้วก็หยุดพิจารณาแล้วก็กลับไปทำความสงบใหม่สลับทำกันเหมือนเราทำงานทำงานเราเหนื่อยแล้ว ก, กลับบ้านไปกินข้าวอาบน้ํอาอับท่าพักผ่อนหลับนอนพอตื่นขึ้นมาเราก็ออกไปทำงานใหม่สมาธิเป็นที่พักผ่อนใจปัญญาเป็นที่ทำงานของใจต้องสลับกันทำ ไม่ได้ทำสองอย่างไม่ได้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ตอนต้นนี้ต้องทำสมาธิก่อนเพราะยังไม่มีกำลังพอมีสมาธิแล้วถึงค่อยออกไปทางปัญญาได้ถ้ายังไม่มีสมาธิอย่าเพิ่งไปทำงานถ้ายังไม่ได้กินข้าวหลับนอนอย่าไปทำงานไม่มีแรงต้องพักผ่อนหลับนอนให้เต็มที่ก่อนพอมีกำลังแล้วค่อยออกไปทำงานฉันใดถ้ายังไม่มีสมาธิใจยังไม่มีกาลังที่จะพิจารณาทางปัญญาได้ เดีย๋ยมืองตอนก็ทำสมาธิให้มากมากก่อนจํานทรสติพุทโธพุทโธไปอย่างเดียวก่อนนั่งให้มากๆก่อนท่ายจิตนวมนานๆก่อนพอจิตนวมได้แล้วพอออกจากสมาธิแล้วทีนี้ก็เอามาพิจารณาร่างกายได้แล้วถ้านั่งสมาธิเยอะๆแล้วก็อยู่กับพุทโธ ท, ทั้งวันนคะครับอาจารย์เวลารมีเพศเกิดขึ้นอะไรกับจิตใจเนี่ยปัญญาไหวมากปุ๊บรู้ทันทีเลยว่าต้องทําไงต่ อ, อ ถ้ามีสมาธิแล้วมันก็จะมันจะเห็นเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นภายในใจเพราะใจสติมันจะอยู่กับใจแล้วเมื่อก่อนมันจะอยู่กับรูปเสียงกลิน่นรสอยู่กับเรื่องนั้นเรื่องนี้พอใจไม่สบายก็ไปโทษเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ไปแก้เรื่องนั้นเรื่องนี้แทนที่จะมาแก้ที่ใจแต่เวลาพุโทโธพุโทโธมันจะดึงใจให้หันกลับเข้ามาดูตัวเองดูปัญหาดูว่าปัญหาที่แท้จริงอยู่ที่ตัวเราอยู่ที่ความอยากของเรา เราไม่ต้องไปแก้คนอื่นเวลาใครก็ด่าเราไม่ต้องไปขอร้อให้เขาหยุดดา่าเราแก้ความความวิกไม่ให้เขาด่าเราเท่า น, นเองพอเราบอกเออด่าไม่ได้อยากจะด่าเท่าหร่ยินดีให้ยินดีฟังในหะ้เราก็หายทุกข์แล้ที่เราทุกข์เพราะเราไม่อยากจะฟังใช่ไหมที่เรามีปัญญาเรารู้ว่าห้ามเขาไม่ได้ไปห้ามเขาได้ไงเขาจะด่าเราเราก็ให้เขาดา่าไป่อยากจะดา่ามีปัญญาดา่าก็ด่าไปเรามีปัญญาฟังเราก็จะฟังไป เราก็จะไม่เดือดร้อนเดี๋ยวเขาเหนื่อยเขาก็หยุดเองอันนี้ถ้ามีสมาธิเราจะปัญญาจะเกิดขึ้นง่ายแต่ไม่เกิดขึ้นเองเราต้องสอนใจให้เห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถึงจะเป็นปัญญาแต่เราจะเห็นว่าปัญหาอยู่ที่ใจเราเราจะแก้ยังไงเราต้องแก้ด้วยปัญญาก็คือต้องเห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา เห็นร่างกายเป็นอนิจจังเราก็ไม่กลัวละกับความแก่ความเจ็บความตายที่ทังวันนี้ยังกลัวอยู่ก็เพราะยังไม่เห็นว่ามันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเรายังคิดว่าเราจะอยู่ไปเรื่อยใช่ไหมเคยคิดไ่มวันนี้เราอาจจะตายวันนี้ก็ได้นำคิดดูสิแล้วมันจะเปลี่ยนไปเลยเปลี่ยนความรู้สึกไปเลยมันจะเตรียมตัวเตรียมตายเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมตายแล้วตอนนี้มันไม่เตรียมตัวกันนี่ พอถึงวลาจะตายตกใจกันเนี่ยเนี่ยคือการพิจารณาร่างกายเพื่อให้ปล่อยวางร่างกายไม่ให้ไปทุกข์กับร่างกายไม่ให้ไปยึดติด ก, กับร่างกายเพราะมันไม่ใช่ของเราเราควบคุมบังคับสั่งมันไม่ได้เข้าใจไหพิจารณาร่างกายนี้เพื่อให้ดับความอยากดับความทุก ไม่ใช่พิจารณาร่างกายให้เห็นว่ามันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แล้วก็ยังไม่มาดับความทุกข์ไม่เอามาใช้ดับความทุกข์ดับความอยากก็ป่วยการรู้แล้วต้องน้อมกลับเข้ามาหยุดความอยากของเราไม่ใช่พิจารณาสุภาะแล้วยังเหมือนหมอเนี่ยเรียนแพทย์เรียนผ่าศพได้กลับไปบ้านก็ยังนอนกับเมียได้อยู่อย่างนี้อ น, นี่มันไม่ได้พิจารณาเพื่อมาดับการมาลาค่ะ เป็นพิจารณาเพื่อเอามาทําเป็นอาชีพทำมาหากินมารับใช้กิเลสตัณหาเพื่อจะได้มาหลับนอนกับแฟนต่อได้แต่แล้วมันพิจารณาเพื่อจะมาหยุดการร่วมหลับนอนพอจะหลับนอนมันก็ต้องนึกถึงอาการสาริพสองของคู่นอนนะพอมันเห็นปับ๊บมันก็ไม่อยากจะนอนเ ล, ล้วต้องรู้นะว่าการพิจารณานี้พิจารณาเพื่ออะไรไม่ใช่เพื่อเห็นเฉย เห็นแล้วเพื่อจะได้มาหยุดความอยากมาละความอยากที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจพวกเราก็รู้ว่าเกิดแก่เจ็บตายรู้กันมาทุกคนแต่ไม่เอามาใช้เวลาเกิดความกลัวตายกลัวเจ็บกันเอามาใช้สิเอาความจริงมายืนยันเนี่ยกลัวทำไมกลัวก็ตายไม่กลัวก็ตายกลัวแล้วมันทุกข์ไปเปล่าๆสู้ไม่กลัวไม่ดีกว่าลไม่กลัวแล้วเย็นสบายอยู่อยู่ก็ได้ตายก็ได้ เราไม่เอาความรู้มาดับก่เดสกันเอาความรู้มาอวดกันมาคุยกันว่าเห็นนูน่นเห็นนี่นั่งสมาธิเห็นนูน่นเห็นนี่เห็นไปแล้วทําไมเห็นแล้วเอามาเอามาทําประโยชน์หรือเปล่าเห็นแล้วามาโอ้อวดมาคุยกันเลยไม่ใช่เห็นมาเพื่อที่จะมาดับความทุกข์มาตัดกิเลสตัดปัญหาความอยากถ้ายังตัดไม่ได้ก็ยังไม่เป็นประโยชน์อะไรอนะ่ะก็จ ะ, ะนะ พอแล้วเหนื่อยแล้วสองชั่วโมง